มีประเด็นอะไรไหมวันนี้มิจฉาสมาธิอ่าฮ ะ, ะเป็นยังไงเนาะสมาธิเป็นเรื่องดีจ้จ า, า, าเป็นอดี่เออ ตั้งใจมั่นที่ทำให้ให้อกุศลเกิดขึ้น น, ะน่ะนะ แ, แย่อย่างยมตั้งใจจะทำอะไรนะโจรจะป้นก็มีความตั้งใจมั่นนะ ม, มันตั้งใจไหมน ะ, ะมันจะ พ้นธนาคารมันจะปลดเซฟคนไงใจมันตั้งมั่นนะนะแต่มันเป็นความตั้งมั่นที่ที่ทำให้อกติผลมันจเจริญงอกงามนะหรือว่ายมทำความเปลี่ยนอย่างพวกฤาษีโยกีนั่งบนหนามเดินบนหนามนะทำสมาธิด้วยการคิดว่าจะเผากิเลส แต่ทำให้เกิดการาเป็นทุกขเวทนาทางกายนะด้วยวิธีทารุนแสบเผ็ดอย่างนี้ผู้เจ้าก็บอกว่าอันนี้มันเป็นมิจฉานะความเปลียนใดที่ทำไปแล้วเนี่ยเบยดเปลีย น, นตนเองเบียนดะเปีย น, นผู้อื่นหรือทำให้อคุศเลเจริญมีแต่ความฟุ้งซ่าน ผู้จ่าบอกให้หยุดความเปลี่ยนนั้น สมาธิที่เป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานได้แต่พูุ้ทธเจ้าจะแนะนำแค่ชาตน1 2 3 4ในมรรคแแต่สมาธิที่สูงกว่า น, นั้นเนี่ยใช้ในการหลุดป้นได้ไหมใช้ได้แต่จาเป็นไหมก็ไม่ถึงกระดีถึงขนาดที่จะเอามาบรรจุในมรรคแ น, นะ แต่บอกไว้อยู่ในพระสูตรอื่นบอกไว้อยู่ว่าเป็นหนทางเนี่ยเข้าถึงมิมุตได้นี้ตัวบทเวทนะก็ให้ให้จว่าอารูปปชาญเนี่ยพระเจ้าไม่เคยพูดพระเจ้าจะใช้คำว่าอารูปปสัญญาแล้วก็ตัวลูก ป, ปชาญก็ไม่เคยพูดจะพูดว่าลูก ป, ปสัญญา รูปสัญญาที่ชื่อว่าปฐมฌานทุติยฌานตติฌานจตุฌ า, านนี่เป็นสมาธิอันเกิดจาก <c oughs> อ, าอาศัยรูปเป็นเครื่องนำเข้าสู่ความสงบส่วนอารูปก็เป็นการเข้าไปหมายรู้ในอารูปแล้วก็ทำให้เกิดความสงบขึ้ น, นซึ่งสมาธิทุกระดับเนี่ยจะต้องอเพิ่มด้วยการเห็นการเกิดดับ ถ้าทำสมาธิแล้วไม่เห็นการเกิดดับก็ไม่สามารถเข้าสู่อริบุคคลได้ที่เข้าใจเองก็ไม่ใช่ว่าสมาสมาธิคือรูปฌาใ น, ในึงุอรูประสัญญาคือไม่ใช่สมาสมาธิก็ไม่ก็อรูปสัญญาไม่ใช่สัมมาสมาธิคือไม่ใช่ไม่ใช่สัมมาสมาธิในมรรคแ คือไม่ใช่สิ่งที่พุทธญาแบบว่าแนะนําหรือสันเสริญใน น, นีแต่เป็นสมาธิอันหนึ่งที่สามารถใช้ในการหลุดพ้นได้ทตนี้สาวกของเราบางคนที่ไม่ได้ศึกษาพุทธศาสนาก็จะไปบอกว่าสมาธิระดับอรูปเนี่ยใช้ในการหลุดพ้นไม่ได้เพราะไปเห็นว่าพวกฤาษีโยคียเขาได้สมาธิระดับอารูปแล้วไม่หลุดพ้นคือไปไปมองแค่นั้น จริงๆแล้วเป็นสมาธิที่ใช้ในการหลุดพ้นได้ซึ่งพู้เจ้าก็อธิบายไว้ว่าให้คนคนนั้นเนี่ยตามเห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้งสี่แล้วถึงจะหลุดพด้นได้แต่ฤาษีโยคีก็ได้สมาธิระดับอรูปประสัญญาแต่หลุดพ้นไม่ได้เพราะเขาไม่รู้จักเรื่องอริสสีเขาจึงไม่ตามเห็นการเกิดดับขันธ์ทั้งสีจึงใช้ในการหลุดพ้นไม่ได้ อาจารย์คะคื อ, อยมสงสัยว่าคนที่มีสัญญาสัญญาคือความจำได้หมายรู้ใช่ไหมคะถ้าคนที่มีความจำดีกับคนความจำไม่ดีจะแตกต่างไหมคะในการปฏิบัติภาพเพียนเพื่อบรรลุธรรมคะไม่แตกต่างเพราะว่าขอให้จำได้แม้เพียงหนึ่งบทก็พอแล้วใช่ไและคนที่จำไม่ได้เนี่ยต้องถามว่าพูดได้ไหมพูดภาษาได้ไหม ถ้าพูดภาษาได้เนี่ยมีความจำแน่นอนเพราะว่าผู้เจ้าบอกว่าผลของสัญญาคือคำพูดที่พูดออกมาแสดงว่าเขายังมีความจำเขาสามารถบรรลุธรรมได้พอผู้เจ้าบอกว่าพระองค์สอนได้เฉพาะสัตว์ที่มีสัญญาและใจต้องมีสัญญามีใจนะดังนั้น <c oughs> สัตว์ที่ไม่มีสัญญาเนี่ยจะสอนไม่ได้ซึ่งจะสอดรับกับที่ผู้เจ้าตรัสว่า ผู้ที่เข้าสมาธิในระดับเนวสัญญากับสัญญาวิทเทตินโรดเนี่ยพระองค์สอนไม่ได้นะเขาจะต้องรู้เองนะโดยที่เขาต้องออกจากสมาธิแล้วเข้าไปใหม่ออกมาแล้วเข้าไปใหม่แล้วจะกล่าวว่าอะไรเป็นอะไรได้เองโดยชอบด้วยตนเองและคติที่ไปจะมีสองอย่างคือถ้าไม่หลุดพ้นเป็นพระหลานก็จะไปเกิดเป็นเทพผู้มิลิทธังใจอย่างใดอย่างหนึง่ง ซึ่งตรงนี้เป็นการรับรองคำพูดของภาษาริบุดไว้โดยผู้เจ้าไม่ได้พูดเองดังนั้นเวลายมจะไปหาว่ า, าคนที่ได้สัญญาเ ว, เวทีิตนิโรกเนี่ยไปเกิดที่ไหนจึงไม่มีคำตอบเพราะว่าไม่มีในคำาพผู้เจ้าแต่ผู้เจ้าแต่จะมีในคำภาษาริบุดซึ่งผู้เจ้าจะรับรองไว้ตอนท้าย แล้วอย่างนี้พูดถึงพูดถึงสัญญาแล้วเนี่ยมันก็จะมีสัญญาของคนที่ความความจำไม่ดีเลยเข้าใจว่าเขามีสัญญาใช่ไหมคะ <c oughs> แต่ว่าคนที่แบบว่าปัญญาไม่ดีอย่างเช่นคนออทิสติกปัญญาอ่อนอย่างเงี้ยพวกนี้นี่ไม่มีโอกาสที่จะบรรลุธรรมใช่ไหมคะอืมไม่แน่โยคือคนบรรลุธรรมไม่ได้เนี่ยพวกคนบ้านะถ้าคนบ้าเนี่ย คนปัญญาอ่อนหรือคนที่แบบอย่างเด็กออทิสติกสมัยนี้ค่ะถือว่าเป็นพวกบ้าใบบอดหนูหรือเปล่าคะอยู่ในกลุ่มพวกที่อาภัพอะไรอย่างนี้เปล่าครับมันจะมี อ, อันคือสัญญาวิปลาสพวกสัญญาวิปลาสก็คือพวกบ้าน่นนะถ้าพวกนี้จัดอยู่ในสัญญาวิปลาสก็คือบรรลุธรรมยังไม่ได้นะแล้วพวกอัลไซเมอร์อีกกลุ่มหนึ่งคือเหมือนว่าอายุมากแล้วแล้วก็เป็นโรคอัลไซเมอร์พวกนี้นี่ก็คง ไม่สามารถจะบรรลุทำได้ใช่ไหมไม่แน่เพราะว่าขนาที่เขาจำอะไรได้ไม่เพลงสักนิดหนึ่งแล้วเขาเข้าใจก็คือบรรลุทาได้แล้วคือการบรรลุทรไหมเนี่ยมันแค่ขนาดจิตเดียวกันเนเองมันไม่ได้ต้องการความจำอะไรมากมายแค่รู้คำคำหนึ่งแล้วเข้าใจความหมายแล้วก็ปล่อยวางได้ก็คือบรรลุทาได้แล้ว การของอัลไซเมอร์เนี่ยเขาจะจําไม่ได้เลยนะคะบอกว่าเพิ่งจะกินข้าวไปก็ไม่รู้ว่ากินไปแล้วคือเขาหลงลืมสติอะค่ะเป็นกลุ่มที่แบบว่าไม่สามารถตั้งสติกําหนดรู้เท่าทันปัจจุบันได้อะไรเงี้ยค่ะในขณะจิตหนึ่งมันไม่แน่นมันช่วงขณะจิตเดียวมันแป๊บเดียวเท่งนั้นเองนะมันมันก็ปักกันยากเพราะถ้าถ้ามันไม่ใช่พวกสัญญาวิปลาสก็ยังมีสิทธิที่จะบรรลุได้เพราะแค่ช่วงขณะจิตเดียว แป๊บเดียวท่านเองอืมน่ออฮเราแก่ไปเราก็เป็นโรคเมอร์แค่ทอะไรไม่ได้ิใจเราก็อยากจะไปแบบเกิดในสุตเิะวรจะปฏิบัติยังไงก็สร้างอนุสัยความเคยชินกับการให้จิตอยู่กับกายนะจำอะไรไม่ได้ก็จริงแต่โยม จำให้จิตอยู่กับกายได้ไม่ลืมลมหายใจก็เพียงพอแล้วนะซึ่งจิตจะคล้อยไปตามอนุสัยความเคยชินที่เราทํามานานครูเนจะ้าจึงบอกว่าต้องเสร็ครบให้มากให้บ่อยให้นานส่วนอกุสนี่อย่าทําให้มากให้บ่อยให้นานไม่ได้มันจะคุ้นเคยเคยชินและจิตจะไปวนไปคล้องแหวกกับอกุสนะดังนั้นเนี่ยถ้าเราเสร็ครบธรรมะใดนานเนี่ย มันจะมาคล้องแวะกันตรงนี้เวลาใกล้ตายปุ๊บจิตใจเข้ามาวนอยู่กับเรื่องของกุศลที่เราเสพครบว่าอ่าทกุนะ่ตรงนี้ต่อจขมาเรามาปฏิบัติธรรมใจอือมันเสริมกันไหมฮะหรือว่า ด้านนึงก็คือเรื่องความสบายใจไปแต่ว่าด้านหนึ่มันเป็นเรื่องของใจเราจริงๆที่เวลาถ้าเราจะละสังขารไปแล้วเนี่ยจิตมันจะมันจะอยู่กับเรามากกว่าบุญกุศลที่เราทํามันอยู่ที่ว่าเราต้องการอะไรต้องการหลุดพ้นหรือเปล่านะเพราะว่าบุญเนี่ยจะมีอยู่พื้นสุดหนึ่งที่คิดว่าคนทําบุญแล้วได้ไปสวรรค์เนี่ยครูเจ้าบอกคิดผิดเพราะสวรรค์ไม่ได้มีสําหรับคนทุศิลนะเขาทำบุญแต่เขาทุศิลเนี่ย เขาจะไปเกิดเป็นเดลฉานแต่เขาจะได้ทรัพย์ของเดลฉานนั่นมันก็แยกกันการทำทานนะเราจะคิดว่าจะไปสวรรค์นะพระเจ้าบอกไม่ได้นะเพราะว่าสวรรค์มีสำหรับคนที่มีศีลดังนั้นต้องมีศีลด้วยนะแต่การทำทานก็ให้ผลของการทำทานทำให้เกิดภพกระสัะ์ไปเกิดในภพใดใดก็จะมีภพกระพั์อย่างนี้น าากิดฝ่าขนาว่าไม่มาเกิดอีกแล้ว อ, อ, อะไรจงๆที่เราทมาก็ไม่ได้มีจะต้องดลด<ะ>ก็ไม่หวังะต้องละทิ้งหมดเนะี<ม>่ยดังนั้นผู้มีสมาธิถี่เบื้องปลายคือในระดับของอริบุคคลเนี่ยทำบุญอะไรเนี่ยเพื่อการปรุงแต่งของจิตนะทำเพื่อประโยชน์ละความกาันหีทีเดียวละความยึดมั่นเพื่อการสละการปล่อยการวางนะไม่ไม่ได้อ่ หวังอะไระคือถ้าถ้าหวังว่ า, าจะไดเ้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามอนิสงที่ควรได้ก็ยังเป็นเนื่องด้วยอุปธิเนื่องด้วยของหนักยังวนอยู่ในสังสารวัตร อ, อย่างนี้ก็ทำเพื่อทำไปตอนนั้นอย่างนี้หรือเวลาเราสกิบัาทเสร็จอะไรเนี่ยเราต้องอธิษฐานอย่างนี้คได้ทั้งสองอย่าง อธิษฐานก็ได้ไม่อธิษฐานก็ได้เพราะเราสร้างเหตุถูกแล้วทูจชาจะเปรียบบุรุษต้องการน้ํามันนะถ้าเขาสร้างเหตุผิดเนี่ยเขาจะไม่ได้น้ํามันถ้าเขาสร้างเหตุถูกเขาจะได้น้ํามันถ้าเขาเอามาเล็ดทรายมาเกลี่ยลงในรางปะพรมน้ําแล้วก็เอามือคั้นเขาจะไม่ได้น้ํามันถึงปรารถนาก็ไม่ได้ถึงไม่ปรารถนาก็ไม่ได้แต่ถ้าเอาเมล็ดงาเกลี่ยลงในรางปะพรมน้ําแล้วเอามือคั้น นะถึงไม่ปรารถนาก็จะได้ถึงปรารถนาก็จะได้เพราะเขาสร้างเหตุถูกดาบใดที่มือเขายังคั้นมเมล็ดงาปะกปมน้ําอยู่เขาต้องได้น้ํามันดังนั้นเวลาโยมสร้างเหตุปัจจัยถูกต้องถึงโยมจะไม่ปรารถนานิพพานแต่โยมปฏิบัติมรรคแดเดียมก็ต้องได้นิพพานะรเราจะหาได้อย่างที่เราบูชาพระมีสัยในกระทาเนี่ยก็ถือว่าเราได้บูชาพระพุทธเจ้าใช่ไหมค การบูชาพระตถาคตเนี่ยผู้จ้าให้บูชาด้วยการประพฤติปฏิบัติดังนั้นขนาดเทวดาเนี่ยเอาดอกไม้สวรรคนะ์มาบูชาผูา้เจ้านะบรรเลงเพลงทิพย์จากสวรรค์ผู้เจ้าบอก อ, อนนุ์นี่ยังไม่ใช่การเคารพนับถือบูชาตถาคตนยะยังไม่ถือว่าเป็นการเคารพนับถือบูชาตถาคตแต่อุบาสุก อ, อุบาสิกาใดเนี่ย ปฏิบัติทำสมควรแก่ทมปฏิบัติตามอยู่ปฏิบัติชอบยิ่งเนี่ยซึ่งธรรมะที่พระองค์ได้บัญญัติเอาไว้เนี่ยนี่ชื่อว่าเป็นการเคารพนับถือบูช า, าต่างคนนีาวัตถุมงคลอะไรที่เรามีอยู่ก็บูชาไปไปตามที่เราจัดทานี่ยนับถือจะได้ใช่ไหมบูชานะย่อมต้องแยกแยะว่าบูชาเพื่อเป็นเครื่องระลึกถึงเปรียบเหมือนที่พระเจ้าตรัสเรื่องถูปาราหบุคคล บุคคลผู้สมควรทำสถูปให้คือพระพุทธเจ้าพระปฏจเจ้าพระตถาคตสาสาวกาวของตถาคตและพระมหาจ้กพัพันธ <c oughs> ีบุคคลนี้เป็นผู้ที่สมควร <c oughs> เมื่อตายแล้วเนี่ยควรทำสถูปให้คือเก็บไว้เป็นที่ที่ระลึกถึงแต่ไม่ใช่สถูปนั้นเป็นเป็นเครื่องศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ ไปอ้อนวอนนะขอบนบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นต่อสถตวนั้นไม่ใช่มุมต่างกันนิดเดียวนะมันเฉียดกันมากนะดังนั้นถามว่าถ้าโยมไม่ทำแล้วโยมสะดุ้งหวาดเสียวัหมเกิดความทุกข์ไหมจะต้องไม่ทุกข์นะแต่ถ้าทำแล้วเพื่ออะไรเพื่อร ะ, ะลึกถึงและเข้าไปถึงคำสอนของเขานะแล้วนำคำสอนของเขาเนี่ยมาประพฤติปฏิบัติชื่อว่าเคารพนับถือบูชาเขาอย่างสูงสุด อย่างนี้นี่มันเป็นมุมต่างเพราะมุมนั้นเนี่ยถ้าเป็นมุมของการอ้อนวอนการขอให้โลกภัยไข้เจ็บหายนนั่นนี่สําเร็จปุ๊บยมจะไปเข้าสู่มิจฉาทิฏฐิว่ากรรมเลยสุดเกิดจากผู้อื่นบันดาลทันทีเลยเห็นไหมมาหูมันเฉียดกันมากนะตรงนี้พอพอมีสถูปปุ๊บทาไปทํามามันเลยกลายเป็นสถูปศักดิ์สิทธิ์ หรือว่าเริ่มปั้นเป็นรูปร่างต่างๆขึ้นมาจากรูปร่างใหญ่ๆก็มาเหลือรูปร่างเล็กๆเนะี่เอามาเพื่อคุมครองมันพัฒนาปรับปรุงมาเลยนะแล้วก็มีพิธีกรรมเข้าไปเกี่ยวกับรูปร่างนั้นนะ่ยมีการปลูกเสกมีการเบิกเนตดมีการอุิปาถากเลยเข้าไปซึ่งมันเป็นเรื่องแต่งเติมทั้งนั้นเลยนะเนี่ยายกายเป็นว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นก้อนศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมา ทั้งที่เป็นเพียงเครื่องอาศัยระลึกถึงความดีของพระผู้มีพระภาคเจ้าคําสอนของพระองค์และพระองค์ต้องการให้เข้าไปถึงคําสอนอย่างนี้แลนำมาประพฤติปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นนะอย่างนี้แล้วแล้วถ้าเรามีจิตฝังหรือเข้าไปติดในสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันก็เป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณทันทีเย่อมก็จะหลุดพ้นไม่ได้ ดังนั้นผู้เจ้าเนี่ยบัญญัติเรื่องนี้เหมือนกับเสี่ยงมากแต่พระองค์ก็บัญญัติเอาไว้เพราะพระองค์ให้เหตุผลว่าเพราะอาศัยอำนาจแห่งประโยชน์อะไรพระองค์จึงบัญญัตนนิตรงนี้ซึ่งมองแล้วจริงๆก็เหมือนกับพระองค์ไม่ควรบัญญัตินะแต่ก็บัญญัติขึ้นมาเพราะอะไรเพราะว่าบุคคลใดเ่เมื่อเข้ามาถึงสถูแ่งบุคคลสี่จพกนี้แล้วเนี่ยจิตจักเลื่อมใส เป็นเหตุให้เขาเนี่ยเข้าสู่สุติโลกสวรรค์ได้ดังนั้นเนี่ยผู้เจ้าก็พยายามช่วยคนเนี่ยให้พ้นจากกบายอย่างน้อยอะในชาตินั้นเนี่ยได้มีอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุนำพาให้สู่สุสติโลกสวรรค์ได้สักนิดก็ยังดีอย่างนี้เป็นช้อยหนึ่งนั้นเหมือนกับไปสังเวชนียสถานสีก็หลักเดียวกันเป็นเหตุให้เข้าสู่สุติโลกสวรรค์ได้ พรจิตจะเกิดปิติเกิดความสุขขึ้นมาอย่างนี้นพระอาจารย์ช่วยเล่าที่ว่าการเสด็จตามของพระทาตอย่างนี้นยาบางคน uh huh. เขาจะสวดมนต์อะไรดีแล้วก็จะมีพระธาตเสด็จมามใช่ไหมคะ เ, เ, เรื่องพระธาตเสด็จคืออะไรก็าตามเนี่ย <c oughs> พระเจ้าจะบอกว่าคือเรื่องเรื่องแปลก แปลกประหลาดในโลกเนี่ยมันมีเยอะมากครูเจ้าบอกไม่ไปสนใจธาตุต่างๆเนี่ยก็เป็นธาตุ อ, อยู่ในโลกใช่ไหมดินน้าไฟลมครูเจ้าจับว่าขันธาตุอายตนะใดๆขันธาตุอายนะทั้งหมดนันเนียยึดไม่ได้เลยยึดปุ๊บเป็นที่เกิดทันทีเราจะต้องการเกิดหรือไม่เกิดลรเราต้องการนิพพานหรือเปล่าใช่ไหมนันถ้าต้องการนิพพานเนี่ยสิ่งนั้นยึดไม่ได้ แต่อาศัยเป็นเครื่องเป็นเครื่องระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้นะแต่ยึดไม่ได้ยึดปุ๊บเป็นที่เกิดของเราทันทีอย่างพระยึดจีวรปุ๊บไปเกิดเป็นตัวเลนตุลายในจีวรโยมยึดตรงนั้นปุ๊บเนี่ยอยู่ที่กรรมละจะไปเกิดเป็นอะไระไปเกิดเป็นทิ้งจกทุกแกไปเกิดเป็นเทวดาเฝ้าอยู่ที่นั่นอย่างนี้อ่ามันเป็นที่เกิดได้หมดเลย พระเจ้าจึบอกเธอคิดถึงสิ่งใดดั่เริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเมื่อวิญญาณตั้งขึ้นเฉพาะได้แล้วพบใหม่ย่อมมีชาติชราเมลนะก็มีตามมาอย่างนี้เนี่ยมุมมันมั น, ม, นมันเฉียดไปเฉียดมาเนี่ยมันนิดเดียวน ะ, นะดังนั้นการ การศรัทธาเนี่ยต้องเป็นศรัทธาที่ที่ประกอบด้วยปัญญาเพื่อการหลุดพ้นไม่งั้นการศรัทธามันก็จะไปสู่ศรัทธาแบบสมาธิธเบื้องต้นคืออะไรก็ได้ดังนั้นถ้าเราศรัทธาแบบนั้นเนี่ยมันจะไม่ต่างกับพวกเจ้าลทัทธิอื่นที่เขาก็ศรัทธาเทพเจ้าของเขารูปปั้นรูปหล่อของเขามันจะหลักการเดียวกันซึ่งเขาจะไปบนบานสารกล่าว เทพเจ้าของเขารูปปั้นลุกหลอ่อเพื่อให้หายโายครคภัยไข้เจ็บให้มีความเจริญรุ่งเรืองให้อะไรต่ออะไรจีปาท์ซึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิแบบที่หนึ่งทันทีเห็นไหมเพราะเทพเจ้าเขาไม่มีคําสอนอะไรนะเขาก็อ้อนวอนซึ่งผู้เจ้าบอกว่าถ้าการอ้อนวอนนะมันให้ผลจริงเนี่ยใครเล่าในโลกนี้จะสื่อมจากอะไรได้ทุกคนอ้อนวอนเป็นหมดเลย นี่ผู้เจ้ามีบัญญตัติเอไว้โตกับสมณพราม์เราอื่นที่เขาอ้อนวอนเราบอกอันนี้สําเร็จผู้เจ้าบอกไมจริงถ้าอ้อนวอนสำเร็จนะไม่มีใครในโลกนี้เสื่อมจากอะไรทุกคนอ้อนวอนเป็นหมดเห็นไหม น, ะนี่มันมันมันเฉียดไปเฉียดมามากนะเนี่ยนี่เดียนมันเป็นเส้นบางๆเนี่ยที่จะหลุดออกไปได้อั่น <c oughs> นั่นเหมือนท่านพูดท่าก็จะจะพูดตรงนี้เป็นตำนวนของท่านเองมาก ภูเขาแห่งวิถีพุทธธรรมสิ่งที่ขวางกาั้นการเข้าถึงความเป็นพุทธที่ใหญ่หลวงมากเลยเหมือนเป็นภูเขาที่บงังเรานะนะก็คือเรื่องของพิธีกรรมรูปปั้นรูปปลอต่างๆซึ่งเป็นมุมที่เข้าใจผิดง่ายมากนิเปียบปุ๊บเข้าสู่วิชฉาทิฏฐิทันทีเลยดังนั้นะนะนะนะนะเวลาก่อนพระเจ้าจะปรินิพนธ์นิดเปี่ยที่เทวดาเอาดอกไม้มาบูชาพระเจ้าพระเจ้าจึงบอกกันหมดไหมนี่ยังไม่ใช่การบูชาตถาคต ปฏิเสธไ้เลยเพื่อให้พุทธบริษัทเนี่ยเดินเข้าถึงคำสอนให้ได้ปฏิบัติทมให้ได้ป้องกันเอาไว้ <c oughs> จะมีข้อสุดหนึ่งที่บอกว่าถ้าเราเนี่ยร ะ, ะลึกถึงสิ่งที่เราเลื่อมใสยอย่างใดอย่างหนึ่ง <c oughs> นั่นเป็นเหตุให้เข้าสู่สุตติโลกสวรรค์ได้เพราะนั้น มันก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีทั้งหมดมีดีแต่ดีในระดับสมาธิฏฐิเบื้องต้นนะไปสุปติโลกสวรรค์แต่ยังหลุดพ้นไม่ได้ดังนั้นถ้าเราต้องการการหลุดพ้นก็คือเราจะวางความยึดมั่นในสิ่งเหล่านั้นนะนะกราบไหว้เพียงเพื่อร ะ, ะลึกถึงคำสอนแลนะปฏิบัติตามคำสอนดังนั้นถึงแม้จะไม่มีรูปปั้นรูปหล่อถามว่าการเคารพยังมีอยู่ไหมยังมี การกราบว่า้ยังมีเพราะพระเจ้าบัญญัติการกราบการไหว้เราไม่มีอะไรเป็นสัญลักษณ์แทนเราก็กราบได้พระไปวิเ ว, วกตุกดมตามป่าเขาการกดอะไรเสร็จก็ก้มลงกราบประกุณพระธรรมพระสงค์ซึ่งคนอื่นมาเห็นก็อาจจะพระนี่เคาลบนานไนไบงไม้ละมั้งไปกราบต้นไม้แต่ก็ไม่ใช่เจตนาของท่านเพื่อการระลึกถึงพระคุธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็นั่งสมาธิปฏิบัติธรรม นะเดินตามคำสอนที่พระองค์เคยพูดไว้เมื่อสองพันกว่าปีที่แล้วที่สอนบอกว่ามี5ประการเนี่ยศรัท ธ, ธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอันนี้คือ5ประการทำอะไรคะเป็นเป็นเครื่องวัดความเร็วในการบรรลุธรรมเรียกว่าอินสี่ห้าหรือพละห้าพละคือกำลังกำลังทั้งห้า กำลังศรัทธามีไหมกำลังวิริยะความเพียรมีไหมกำลังสติกำลังสมาธิกำลังปัญญาซึ่งพระพุทธเจ้าอธาิบายหมดเลยว่าให้ดูยังไงศรัทธาพระลดูยังไงให้ดูที่โสตาปฏิยังข้ศิคือคนคนนั้นน่ยที่บอกว่ามีศรัทธาศรัทธาเนี่ยเขาเนี่ยมีความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์หม และมีสินอันเป็นที่รักของพระอาลัยเจ้าหรือเปล่าคือสินที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ดังไม่พร้อยนี่เรียกว่าเป็นเครื่องวัดศรัทธานั่นคือเขา้าศรัทธาจริงแต่ถ้าเข้าพันไหวนะด้วยการมีสมณะมารพรหมเทพใดๆเนี่ยชักจูงความเห็นเข้าไปได้แสดงว่าเขายัางศรถถัทธาพระเจ้าไม่จริงนะอ่านั้นพระเจ้าบอกเลยว่าจะเป็นพรหมก็ตามเป็นเทพก็ตาม เป็นสมณะเหล่าใดก็ตามจะไม่สามารถจุงความเห็นของโสดาบันไปเป็นอย่างอื่นได้ให้ไปศรัทธาอย่างอื่นไดน้เขาจะอย่างลงมั่นในบูชาก็เหมือนกับคนบูชาไฟวโยอบอกว่าไปบูชาน้ำไหยเดินลงสู่แม่น้าคงคา3ามเวลาเช้ากลางวันเย็นผู้บูชาไฟบอกไม่เอาในพวกน้ำนี้ไม่ได้ผลบูชาไฟได้ผลเขาอย่างลงมั่นในไฟของเขาแล้วเขาจะไม่เอาอย่างอื่นเลย บูชาเทพองค์นี้ให้เทพองค์อื่นเข้าไปบูชาก็เอาไหมเขาไม่เอาเขาอย่างลงมั่นในเทพของเขาเขาไม่สนเทพองไม่สนอย่างนี้แต่พุทธบริษัทเราบางทีบอกว่าเป็นพุทธบริษัทแต่ไม่อย่างลงมั่นในพระพุทธเจ้าเทพองค์นี้เขาบอกว่าดีเขาว่าเอาไม่อย่างลงมั่นแล้วมีความบันไหว อ, อย่างนี้ นั้นตรงนี้ผู้เจ้าบอกไว้นี่ก็ลึกซึ้งเหมือนกันส่วนความเพียรวัดกันที่ไหนวัดกันที่ส ม, มประทานสี่คนคนนั้นเนี่ยเพียรให้อกุศลที่ยังไม่เกิดไม่เกิดขึ้นไหมอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเพียรที่จะละไหมรักษาสร้างกุศลขึ้นมาไหมและรักษากุศลได้ไหมนี่เครื่องวัดความเพียร เครื่องวัดสติคือคนคนนั้นเจริญสติปัฏฐานสีหรือเปล่าเครื่องวัดสมาธิคนคนนั้นเนี่ยเข้าชาญนหนึ่งสองสามสีได้ไหมนี่เครื่องวัดกำลังสมาธิกำลังสติกำลังปัญญาวัดกันที่การเห็นสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและดับไปคนคนนั้นมีปัญญาเห็นเกิดกับดับไหม ม, มีปัญญาเห็นเกิดดับใช้ได้ละ ฌานเนี่ยแหะพระเจ้าก็อธิบายไว้หมดขั้นที่หนึ่งก็คือจิตละอวุโลได้คือการยาบาลเปลี่ยนลาได้แล้วมีวิตกวิจารณ์ปิติสุขนะวะวิตกวิจารณ์ก็คือคิดธรรมะใกล้ควรธรรมะขึ้นมา <c oughs> นะใกล้ควรเรื่องปฏิจจสุบานเรื่องที่ใกล้ควรเนี่ยพระเจ้าให้ใกล้ควรสามเรื่อง 1. นึ่งพิณาโดยความเป็นธาตุเป็นอายตนะ เป็นปฏิจจสมุปบาทสาเรื่องพิจารณาแล้วเกิดปิติเกิดความสุขคือเห็นจริงตามนั้นนี่เรียกว่าปฐมฌานถ้าระวางวิตกวิจารณ์ได้วางการค่ายควรได้มีเหลือแต่ปิติเหลือกับสุขเป็นทุติยฌานปล่อยวางปิติได้เห็นปิติเกิดขึ้นก็มีความดับไปเป็นธรรมดาก็เข้าสู่ตัตยฌาน ปลวันสู่การเกิดจากสมาธิได้เข้าสู่จตุตฌานคือฌานที่4นีะ่วัดกันที่ตรงนี้ไม่ได้เอาการรู้การเห็นแบบอื่นมาเป็นเครื่องวัดนั้นใครจะบอกว่านั่งสมาธิแล้วเห็นนั่นเห็นนี่อะไรต่ออะไรนี่เราบอกว่าเป็นเครื่องวัดการได้สมาธิไม่ใช่นั่นคือมิจฉาทสมาธิแบบของเขานะแต่ถ้าแบบของพระเจ้าจะต้องเห็นตรงนี้เอาตรงนี้เป็นเครื่องวัดไม่มีแบบอื่น ผู้จเจ้าตัดเรื่องสมาธิกี่ร้อยสูตรก็ตามพูดแค่นี้ตรงกันหมดทุกครั้งนะมันไม่ได้เกี่ยวกับการนั่งมันเกี่ยวกับการตั้งจิตให้ตั้งมัน่นให้อคุศนดับไปซึ่งยอมจะอยู่ในท่า ย, ยืนก็ได้เดินก็ได้นอนก็ได้นะ <c oughs> ต้องอยู่ในขณะแห่งจิตที่ตั้งมัน่นนะ ซึ่งพระจ้าบอกพระองค์เดินจงกรมก็สามารถเข้าชั้นหนึ่งสองสามสี่ได้นอนก็ได้ได้หมดทั้งสี่ดิบดุษทีใช่ใช่ใช่ซึ่งสมาธิตรงนี้เป็นเหตุให้ห ได้การหลุดพ้นได้ทั้งหมด ที่สมาธิเสื่อมไปออกจากสมาธินั่นก็เป็นวิปัสนาแล้วนะแล้วจริงๆสมาธิทุกขั้นเนี่ยผู้เจ้ายืนยันว่ามีการเกิดดับของกันทั้งหทั้งหมดอยู่ที่เราไม่เห็นแค่นั้นเองหน้าที่เราคือขณะที่นิ่งที่เราบอกว่ามันนิ่งไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยผู้เจ้าจึงบอกว่าให้เข้าไปเฝ้าดูให้ดีบอกพิสูจน์นั้นเนี่ยให้เข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมัน่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดี เฝ้ดูให้เห็นอะไรให้เห็นความไม่เที่ยงจางไกลดับไม่เหลือสลัดคือก็คือทําอยู่แค่นี้สมมุติว่าไม่เห็นจนกรทั่งสมาธิออกมาอย่างน้อยตอนออกมาต้องเห็นว่าสิ่งใดไม่เคยมีก็มีมาสิ่งใดมีมาแล้วก็ดับไปสมาธิทั้งหลายก็ถึงการดับไปเป็นธรรมดานี่ก็เป็นวิปัสสนาแล้ว <c oughs> <c oughs> ใช่ใช่ขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงปุ๊มีปัญญาเข้ามาใช่ควรอ่านนี่ไงดับไปละ ใช่เปลี่ยนแปลงแล้วมันเปลี่ยนน้อยมากนะอืมอ่มอาฮอาา่อาะไม่ไม่คือมันไม่ต้องไม่ต้องเกี่ยวข้องกับเสียงนะใช่ มันเกี่ยวข้องกับการเป็นเปลี่ยนแปลงในจิตเช่นเราคิดอะไรขึ้นมานิดหนึ่งเนะ่ะนั่นแนหะเกิดดับแล้วซึ่งมันจะคิดน้อยมากแล้วก็คิดแป๊บเดียวแล้วก็ดับแป๊บแล้วก็ดับนั่นแหละคือการเกิดดับะนิดเดียวนะอ่าฮะอ่าฮะ ก็ไม่เป็นไรเพราะสมาธิผู้เจ้าผู้บอกไม่ไม่ควรกลัวไม่ต้องไปกลัวควรทาให้มากเจริญให้มากใครทํามากเจริญมากชื่อว่าลาดเอียงโนมเองเทเองไปสู่นิพพานซึ่งทุกครั้งที่ออกจากสมาธิต้องเป็นผู้ฉลาดฉลาดในการออกจากสมาธิคือเห็นการเกิดการดับทันทีเห็นการเปลี่ยนแปลงว่าสมาธิก็ไม่เที่ยงเป็นกองไม่เที่ยงมีความดับไปเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมาดา แังนัน้นทุกครั้งที่เรานั่งสมาธิก็ได้วิปัสสนาทุกครั้งที่ออกจากสมาธิอ กันก็ได้มันก็เหมือนกันเป็นการรักความเพลินเหมือนกัน ะะสมมุติกรณีที่เราอยู่บริษัทซึ่งผลิตขึ้นดื่มแอลกอฮอล์แต่เราก็ไม่ได้เป็นฝ่ายโปรดักชันหรือว่าฝ่ายสัด จ, จำห น, น่ายเร า, า จ, จะอยู่ฝ่ายอื่นๆแล้วเราก็ไม่ใช่เจ้าของกิจการแต่เราได้ทำงา น, นกับบริษัทะะเราจะผิดข้อนี้ไหะ มันคงจะบางบางเบาออกมาเรื่อยๆน ะ, ะเป็นมิบากอย่างเบาเบาเบาเบาเๆมากขึ้นไปเลยก็เหมือนคนไปเช็ดกระจกเก็บข ย, ยะเป็นเสมียนปิมดีในโรงมานเหล่านั้นซึ่งเขาไม่ได้เกี่ยวข้องเลยเขาคนนั่งปิมดีอยู่เฉยๆอย่างเนี้ยใช่ไหมแต่ว่าทำ ร, ร่วมในกิจกรรมนั้นไหมมันก็เป็นส่วนร่ว ม, มนิดน่งซึ่งมันเป็นวิบากอย่างเบามาก อย่าไปคำนึงถึงมากเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปเหมือนกับพวกพวกปริพาชคที่คอยคอยเอาแส้ปัดเวลาเดินจะเดินไปข้างหน้าสัอเอาแส้ปัดไปด้วยกลัวเหยียบมแมลงมันละเอียดเกินมันคิดเกินไปนะไม่งั้นโยมกินยาถ่ายญาติโอ้เดี๋ยวยาติต้องตายพู้เจ้าจะไม่พูดถึงละไม่พูดว่าการกินยารักษาโรคเป็นปานาติบาไม่มี คนมันก็คิดได้ละเอียดขนาดนั้นก็คิดได้ไปฆ่าเชื้อโรคอ่ะแล้วเจ้าของกิจการเหรอคะเขาจะผิดเนียงก็เขาทําเป็นอาชีพก็ไม่ละถ้าเขาทาเป็นอาชีพเขามันก็ผิดใช่ไหมอ่าเป็นอาชีพของเขาก็กคือค้าน้ำเมาเนี่ยแต่นั่นจะมันถูกต้องตามกฎหมายของประเทศนั้น ก็ถูกกฎหมายนะแต่ถูกหลักธรรมชาติไหมล่ะถูกกฎปฏิจจสุบตัติกฎธรรมชาติไหมล่ะกฎหมายช่วยเราเข้าถึงนิพพานได้หรือเปล่ามันเกี่ยวกันไหมล่ะมันไม่เกี่ยวใช่ไหมาอาโยมตันถูกกฎหมายโยมก็ยังเวีนว่าอยู่ในสังสารวัตรแต่ถ้าโยมทำถูกตามกฎธรรมชาติโยมหลุดพ้นจากสังสารวัตได้มันอยู่ที่เราจะเอาอะไรแค่นั้นเอง เรามาเรียนรู้วิธีออกจากความตายไม่ใช่เรียนรู้วิธีถูกกฎหมายใช่ไโยมต้องทํางานเกี่ยวกบแก้ไขปัญหาตลอดเวลาแล้วต้อ อก็ mm hmm. เป็นเพราะว่าเราเราโกหกก็คือผลก็เกิดขึ้นกับเราอย่างนี้อ่าแต่เราบางทีเราไม่อยากทำสิ่งเลยเรา mm hmm. ใช้หลักแต่ว่าแต่ว่ามันก็มันก็ยังเป็นอยู่อ่ะการกระทํามันก็มันก็เกิดขึ้นอยู่ใช่ไหม mm hmm. กายกรรมโพธิ์วจีกรรมโพธิมโนกรรมโพอุปบัติของเขาเนี่ยคือการเข้าถึง พบกับ เ, เดลฉานน ะ, ะที่เป็นพวกงูตะกาบมาแมลงป่องอย่างนี้มันก็อยู่ที่เราเลือกเองนะอยู่ที่เราเลือกที่จะเดินซึ่งทนายหลายคนก็บอกว่าไอ้จริงการมีสิ่งทำก็มีได้มีทนายที่อยู่คนหนึ่งก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันซึ่งเขาก็มีแนวคิดแบบโยมแรกๆเนี่ยว่าจะต้องโกหกจะต้องแต่งเรื่องอะไรต่อ แต่หลังจากปฏิบัติทำแล้วเ็าบอกว่าไม่จำเป็นเขนะาก็พยายามหลีกเลี่ยงพยายามปั๊กๆเพื่อรักษาความถูกต้องเอาไว้อย่างนี้นก็ก็เป็นสิ่งที่ทาได้นะ อ, อ่าใช่ มันเกิดเป็นอนุสายความเกยชิตในจิตของเรามันก็จะคล่องป่าดในเรื่องการโกหโกแล้วคือทุกอาชีพมันโกหกได้หมดนลยอยนี้นะมันอยู่ที่เราต้องฝึกที่จะไม่โกหก ไม่ใช่อธิษฐานว่าขอให้ได้อาชีพที่ไม่โกหกคือทุกอาชีพมันโกหกได้หมดใช่ไห ม, มเราเราต้องฝึกเองอยู่ที่ตัวเราใจเดี๋ยว <c oughs> ข้างบนก็ยังไม่เสร็จเดี๋ยวข้างบนก็จะมาแจ้ง ค uh huh. บางครั้งเนี่ยบอกเขาตรนะงๆได้ไหมอนแต่แรกอีาอยูอ่ดีบางครั้งเนี่ยเราต้องบอกหมดไมได้แนี้ะไม่ยมไม่ไม่บอกอ น, นิสงส์ของการปฏิบัติธรรมให้เขาอะเขายังไม่รู้นว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นเหตุให้การงานอาชีพจเจริญเขาไม่รู้อ น, นิสงส์ที่ผู้เจ้าบอกไว้แล้วเขายังไม่ศรัทธาผู้เจ้าเพียงพอยมขยันให้ตายเนี่ยบุญบา ร, รมีถ้าไม่สร้างเนี่ยขยันให้ตายก็ไม่รวยใช่ไห เม่ง้นคนมันก็รวยเหมือนกันทั่วประเทศแล้วสิมันก็ขยันทั้งนั้นนะจบมาก็ด็อกเตอร์เต็มไปหมดเลยใช่ไหมแต่ทําไมบางคนจเจริญบางคนไม่จเจริญมันเพราะเหตุปัจจัยอะไรหน้าที่โยมต้องอธิบายทํำมาให้เขาฟังให้ได้เมื่อเขามีศรัทธาก็เชื่อแล้วนโยมอยากไปปฏิบัติธรรมก็ปล่อยเต็มที่เลยเผยเผยตัวเข้าในมาปฏิบัติ ด, ด้วยใช่ไหมเจ้าของโรงงานบางโรงงานเนี่ยหยุดเวลางานให้พนักงานปฏิบัติธรรมเพราะอะไรเพราะเขาเห็นความสําคัญว่า การปฏิบัติธรรมสําคัญทําไมโยมหยุดให้พนักงานกินข้าวกลางวันได้ใช่ไหมนั่นหนหะเพราะโยมเห็นว่าไม่กินข้าวตายแน่นอแต่ถ้าโยมเห็นว่าไม่นั่งสมาธิตายแน่นั่นแหละโยมจะให้คนมานั่งสมาธิรักษาศิ่ต้องเห็นความสําคัญกันนันั้นใช่ไหมอือ จะจังอะไรเงี้ย uh huh. มันทำให้เรา uh huh. เราบุตรศิลป์เราก็เราอยากจะโกรนีดเดียวใจมันโกรธเยอะอะไรอย่เงี้ยลูกหายใจไม่พอโยมต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองสิแต่โยมก็สามารถที่จะปฏิบัติ uh huh. หน้าที่ที่สมควรได้เช่นว่าอบลมลูกใช่ไหมซึ่งพระเจ้าก็ทำพระเจ้าเคยตำหนิภิกษุอย่างรุนแรงอย่างเงี้ยซึ่งละม อ, อพระเจ้าก็มีกิเลสสิ โกรธหรอผู้เจ้าบอกว่าพิศูน์เธอเป็นคนเน่าในเปียกแฉะมีสัญชาติบักหมเหมือนบอกขยะมุมฝอยใช้ไม่ได้ทำกิจที่ไม่ควรทำโอ้โหว่าเป็นชุดเลยผู้เจ้าโกรธเหรอไม่เกี่ยวแต่ท่านบัญญัติทำบัญญัติวินัยออกมาใช่ไหมด้วยอารมณ์ที่ปกติกำหนดสมาธิทุกครั้งด้วยในการพูดใช่ไหมเพื่อกำลาบคนดื้อด้านคนเกยากนะอย่างนี้ เพวัะนั้นโยมต้องการกำหลาบลูกนะให้ลูกจำโยมก็ทำได้ก็ทำไปแต่โยมเราเราคุมอารมณ์ตัวเราเองดีวาใช่ไหถ้าเรารู้ว่าเราคุมสติได้แล้วคุมอารมณ์ได้แล้วเราก็บอกสอนไปใช่มามันอยู่ที่เหตุปจตัจจัยตรงนี้ เด็กข้างบนเสร็จแล้วนะเดี๋ยวฟังคำสอนจากพระโอษฐ์กันแล้วก็ไปได้เปทำอาหารกันนออาโมทัสสะพระครวโอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนาโมทัสสะพระครวตโอระหะโ ต, ตสัมมาสัมพุทธะนาโมทัสสะพระครวตโอระหะโ ต, ตสัมมาสัมพุทธะปฏิจจสมุปบาทจากพระโอหน้า หนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดเรื่องตัญหาเกิดขึ้นเมื่ออนุยัยก่อขึ้นตรัสแกภิกษุทั้งหลายที่เชตวันดูกนภิกษุทั้งหลายถ้าบุคคลย่อมคิดถึงสิ่งใดอยู่ย่อมเดิบริถึงสิ่งใดอยู่และย่อมมีใจฝังลงไปในสิ่งใดอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์ เมื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณเมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีเมื่อวิญญาณ น, นั้นตั้งขึ้นเฉพาะเจริญงอกงามแล้วเครื่องนำไปสู่พบใหม่ย่อมมีเมื่อเครื่องนำไปสู่พบใหม่มีการมาการไปย่อมมีเมื่อการมาการไปมีการเคลื่อนและการบังเกิด ย่อมมีเมื่อการเคลื่อนและการบังเกิดมีชาติชรามรณะโสกะปริทเทวะทุกขโาโภมนัตอุปายาสัททั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนต่อไป verses. ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าบุคคลย่อมไม่คิดถึงสิ่งใด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 เมื่อเครื่องนำไปสู่พบใหม่มีการมาการไปย่อมมีเมื่อการมาการไปมีการเคลื่อนและการบังเกิดย่อมมีเมื่อการเคลื่อนและการบังเกิดมีชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขาโทมนัสอุปา ย, ยาตทั้งหลายยึงเกิดขึ้นครบถ้วนต่อไป ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ถ้าว่าบุคคลย่อมไม่คิดถึงสิ่งใดด้วยย่อมไม่ดำริถึงสิ่งใดด้วยและทั้งย่อมไม่มีใจฝังลงไปในสิ่งใดด้วยในการใดในการนั้นสิ่งนั้นย่อมไม่เป็นอารมณ์ เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณได้เลยเมื่ออารมณ์ไม่มีความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมไม่มีเมื่อวิญญาณ น, นั้นไม่ตั้งขึ้นเฉพาะไม่เจริญงอกงามแล้วเครื่องนำไปสู่พบใหม่ย่อมไม่มีเมื่อเครื่องนำไปสู่พบใหม่ไม่มีการมาการไปย่อมไม่มีเมื่อการมาการไปไม่มี การเพื่อนและการบังเกิดย่อมไม่มีเมื่อการเคลื่อนและการบังเกิดไม่มีชาติชรามรณะโสกะปริทเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาตทั้งหลายเกียงดับสิน้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้และเอวัง อายุโธพลโทธีโรวันณาโธปฏิภาณโทสุขาสาทตาเมธาวีสุขังโสอธิคาฉติอายุงทัตตวะพลังวันนางสุขังจับปฏิภาณนาโททีขาโยยาสาวาโฮติยาทะยาูปปาปติติ กาเลทัตฐานติสัพันยุวะานยวิตามัชารากาเลนะทินังอรยสุวิปัสสนามนะตัสสะวิปุลาหติทาคินาเยตาทาอนุโมทัติเวยาวจังคารนติวานาเตนัธาินาโอนาเตปิุญญาตะภาคิน ตาสมาธาเทอาปติวานาจิตโตยะถาทินังมาพลังปุญญานิปะโลกัสมิงปฏิทาาุหติปานินานตี เรียนถามครับการบวชเรียนหรือการเข้าปฏิบัติธรรมบิดามารดาจะได้รับผลอย่างไรครับครูเ <c oughs> <c oughs> จ้าบอกคนที่บวชเนี่ยนะถ้ามาบวชแล้วเนี่ยตั้งใจประพฤติปฏิบัติเนี่ยญาติพี่น้องของเขาเนี่ย แม้แต่เพียงนึกถึงก็ได้รับอ น, นิสงฆ์แล้วคือเวลาเขานึกถึงถึงสิ่งที่เขาเลื่อมใสยอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยจิตเขาจะเกิดปิติเกิดความสุขนี่เป็นไปเพื่อสุกติโลกสวรรค์นี่คืออนิสงฆ์ที่จะได้แต่อนิสงฆ์ที่ได้ได้โดยตรงที่ควรจะได้รับกับการเกี่ยวข้องกับสมณะคือการได้ยินได้ฟังธรรมเมื่อมีลูกบวชหรือญาติพี่น้องบวชเนี่ยเราควรเข้าไปเกี่ยวข้องกับเขา ด้วยการได้ยินได้ฟังธรรมะอย่างนี้นั่นคือประโยชน์สูงสุดของการเกี่ยวข้องกับสมณะคือได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังนี่พระศาสดาบัญญัติไว้อย่างนี้นะดังนั้นประโยชน์ของการที่เข้ามาบวชในธรรมวินยนะัยเนี่ยเพื่อมาประพฤติธรรมนะมาปฏิบัติธรรมนะคนญาติพี่น้องที่เกี่ยวข้องก็คือมาฟังธรรมนั่นเองนะคำถามต่อไปค่ะ ทำอย่างไรหรือสวดมนต์บทใดแล้วจะทําให้เจริญเติบโตในหน้าที่การงานทางโลกคะขอบพระคุณเจ้าคะ่ะทําอย่างไรให้เจริญในหน้าที่การงานทางโลกนะแยกเป็นสองอันนะทําอย่างไรหรือสวดมนต์บทใดนะเอาทําอย่างไรก่อนนะผู้เจ้าจัดเรื่องหนึ่งคือ ถ้าเธอปรารถนาสิ่งใดในทางโลกจะเป็นเอกลาปัจจัยทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงกิติยศอะไรก็ตามพุทธเจ้าบอกให้ทำา4อย่างหนึ่งให้เป็นผู้บริบูรณ์ในสิน 2. ไม่เห็นห่างจากฌาน 3. ประกอบพร้อมด้วยวิปัสสนา 4. ให้สุญญาคละวัตงอกงามนี่คือ4อย่างที่ที่พุทธเจ้าให้ให้เราทั้งหลายเนี่ยได้กระทำะเอ่อ มีอีกอย่างหนึ่งธรรมะสมประการที่ผู้เจ้าบอกว่าพระองค์ถอยไป91กับเนี่ยพระองค์ไม่เคยตกต่ำเลยนะก็คือพระองค์พิณาว่าพระองค์มีธรรมะสาประการคือหนึ่งมีทานการให้สองมีธ ร, รมะความข่มใจส ม, มีสัญญามาความสำรวมระวังนะนะมี3อย่างเออมาอยู่ตรงนี้มันก็ขาดโปรเจคเตอร์ไปอย่างเด้อเออมันดีอย่างเสียอย่าง แต่ตรงนี้คือคือไม่มันดีออตมาไม่ต้องตะโพนมากเมื่อคืนนี้คอแหบเลยนะอ่าก็อีกอย่างก็ไปในเว็บได้ลงไปในเว็บทางบ้านได้ฟังด้วยอืมมันต้องไปไปก่อนนะต้องต้องต่อไอ้จอนน้แล้วก็นี่ท่าน ให้ท่านมามานั่งทํากลอมแบบนี้เนะาะจชเพื่อเราจะได้เห็นเห็นพระสูตรไปด้วยก็ส่วนสดุดสนมนบทใดเนี่ยแล้วให้เจริญเติบโตในหน้าที่การงานทางโลกเนี่ยยังยังไม่ได้เคยเจอบอกเอาไว้นะแต่การ สสดมนต์หรือสัจชายะเนี่ยสาธยายรมเป็นไปเพื่อวีมุตได้นะแต่ต้องเป็นคำพระศาสดานะแล้วก็ต้องเข้าใจเกิดปิติเกิดความสุขจิจตตั้งมั่นเนี่ยมีอาการ5อย่างเหล่านี้นะต้องใช้คำพระพรทเจา้าพุทธวัจนะต้องเข้าใจนะในสิ่งที่เราสวดต้องเกิดปิตินะปิติความเข้าใจเนี่ย เกิดปิติความเข้าใจในสิ่งที่เราสวดนะเกิดความสุขจิตตั้งมัน่นส่วนใหญ่คนฟังสวดมนต์จะมันจะเป็นปิติในเสียงมากกว่าฟังเสียงสวดไพ่ล้ะ อ, อะไรอันนี้มันเกิดสุขอันเกิดจากเสียงนะมันไม่ใช่เกิดจากความเข้าใจในอัตในธรรมนะหรือว่าการสาธยายธรรมแล้ว ระงับอาพาธได้ก็คือสาธยายแล้วเนี่ยเกิดความเข้าใจในธรรมทําให้อาพาธเนี่ยจะระงับลงตามควรแก่ฐานะที่พระเจ้าจัดไว้กับพระนนท์บอกว่าอ้าเอาบทนี้นะไปสาธยายให้พระคริมณน์ฟังซึ่งนอนป่วยอาพาธอยู่บอกว่าคลีมณ น, นฟังแล้วเนี่ยอาพาธจะระงับไปตามควรแก่ฐานะคือเขาจะค่อยๆไขความในธรรม เป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญญา10ิประการเช่นอันนี้จะสัญญาทุกขสัญญาอนัตตสัญญาสัญญาในความไม่เที่ยงเป็นทุก์เป็นอนัตตานะอสุภาสสัญญาสัญญาในความไม่งามในกา ย, อ า, ายกญญาอาหารเป็นปฏิกูลสัญญาอาหารเป็นปฏิกูลอย่างนีนะ้นั่นก็คือให้เห็นความจริงในธรรมะแล้วนะ เ, เขาฟังเข้าใจค่อยๆปล่อ ย, อ ย, อ ย, อยวางไปเรื่อยอาพาธก็จะรงับไปเรื่อยๆอย่างี้ นนข้อต่อไปค่ะนมาัสการพระอาจารย์ค่ะเอาเงินที่ได้จากการปล่อยเงินกู้มาทำบุญจะเป็นบาปไหมคะกู้อะไรไม่ได้เป็นบาปเนี่อาชีพนี้ก็มีมาตั้งแต่ในครั้งพุทธกาลแล้วไม่ไม่ได้ถูกกำหนดเป็นอาชีพต้องห้ามนะ อ, อาชีพต้องห้ามก็มีห้าอย่างการค้าน้ำเมาค้ายาพิดค้าขึ้นประหานค้าสัตว์าเป็นอาหารค้ามนุษย์นอกนั้นก็ทาได้ตามปกตินี ไม่ได้บากอะไรข้อนี้มีสามคำถามนะคะความกลัวตายจัดเป็นอกุศลหรือไม่ทราบมาว่าคนที่ตายไปพร้อมภาวะนี้จะเกิดเป็นอสุรกายจริงหรือไม่ถ้าเรานั่งเครื่องบินแล้วเราทราบว่าเครื่องบินกาลังจะตกแล้วเราเกิดความกลัวมากๆเราควรตั้งจิตเท่าที่เวลามีเหลือเล็กน้อยนั้นในขณะนั้นอย่างไรหรือเอาจิตไปก่อกับอะไรคะเพื่อไม่ให้ต้องไปอบายภูมิ กับกายนะพระเจ้าตรัสไปแล้วว่ากายยคตาสติเป็นที่หลบภัยจากมารมีฟังให้ออกเป็นที่หลบภัยจากมารไม่ใช่โยมไปปลูกพ้านะตะ ก, กุดหรือเครื่องลางของขังอะไรโยมเอาจิตมาอยู่กับลมหายใจจิตอยู่กับกายกายเนี่ยเป็นภพของตนนะเมื่อใดที่ เ, เราเอาจิตหรือวิญ ญ, ญาณขันกลับมาสู่ภพของตนเนี่ยมารผู้มีบาปจะทําอันตรายเธอไม่ได้ ความตายจะทำอันตรายเราไม่ได้และเท่ากับเราวางจิตอยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสมในการหลุดพ้นผู้เจ้าจึงบอกกายยักตาสติอันชนเหล่าใดไม่หลงลืมอมัตะ์ชื่อว่าอนชนเหล่านั้นไม่หลงลืมถ้าโยมไม่ลืมเอาจิตอยู่กับกายโยมก็ไม่ลืมอมัตะ์ชนเหล่าใดบริโภคกายยตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าบริโภคอมตะถ้าโยมเอาจิตกลับมาอยู่กับกายหรือลมหายใจหรือตั้งไว้ที่กายของเรา นะเรากําลังได้อามาตะรำมานคือความตายจะตามอันตรายเราไม่ได้นะวิธีแก้ไขง่ายๆนะไม่ต้องไปสนใจอะไรนะความกลัวตายเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดานะมันเป็นอกุศลไม้มันก็เป็นเพราะมันเกิดทําให้เราเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาเป็นทุกขเวทนาทางใจนะนนส่วนจะไปเกิดเป็นอสุรกายยังไม่เคยเจอพสุนะถ้าใครเจอก็ เอามาใ ห, ให้ดูด้วยนะคือพระสูตรมีเป็นจำนวนเยอะมากนะอันนี้ก็ให้เราสืบค้นต่อไปแล้วกันนายก็เอาจิตอยู่กายง่ายๆไม่ต้องไปกังวลอะไรต่อไปนะคะหนึ่งเวลาที่เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นเช่นอารมณ์โกรธรักหลงเป็นต้นจะมีวิธีอย่างไร ให้เขาละจากตรงนี้ได้โดยง่าย 2. พวกหลักธรรมะต่างๆเช่นมักทำไมพระพุทธเจ้าท่านถึงบัญญัติว่าอะไรสมควรขึ้นก่อนอะไรสมควรขึ้นหลังทำไมจึงเป็นเช่นนั้นคะเพราะอะไรเออเวลาที่เกิดอารมณ์ต่างนะเช่นอารมณ์โกรธ มีวิจะมีวิธีอย่างไรให้เราละจากสิ่งนี้ได้อย่างโดยง่ายเหรกลับมาอยู่กับลมหายใจอานาปานสติเนี่ยผู้เจ้าตรัสว่าดับอกุศลวิตกได้ทุกชนิดน ะ, นะผู้ที่ฉลาดในมรรควิธีเป็นสัพพัญยูนะบอกเลยว่าเอาจิตกลับมาตั้งไว้ที่อานาปานสติสมาธินะสามารถดับอกุศลวิตกได้ทุกเรื่องผู้เจ้าเปรียบเหมือนกับ ผลทางสีแยกเนี่ยจะมีเกวียนเนี่ยที่บดมาทับฝุ่นทั้งสีทิศ น, นบดละเอียดหมดเลยดังนั้นเหมือนกันอานาปาณสิเนี่ยจะทำลายอกุษณมิตกได้ทุกเรื่องทาลายหมดหรือเปรียบเหมือนฝุ่นทุลีที่ฟุ้งขึ้นแห่งเดือนสุดท้ายของฤดูร้อนฝนหนักที่ปิดฤดูตกลงม า, าจะชะฝุ่นทุลีเหล่านั้น ให้สมบระงับไปดังนั้นอาณาปาณ ส, สีก็เหมือนกันอกุศลอะไรก็ตามที่เปรยะเหมือนฝุ่นทุเรีมันฟุ้งขึ้นอาณาปานเี่ยจะกลบมันไปได้หมดทุกเรื่องเพราะตัวนาปาอย่างเดียวสามารถทําได้ถึงมรรคผลนิพพานเลยละสังโยชน์ทั้งสิทธิ์ได้ทุกอย่างทุกเรื่อง หลักธรรมต่างๆเช่นมรรคแปดทำไมพระเจ้าบัญญัติว่าอะไรสมควรขึ้นก่อนอะไรสมควรขึ้นหลังทำไมเป็นเช่นนั้นหมายความว่าอย่างไงนะอะไรสมควรหมายถึงสัมมารหรอสัมมาทิฏฐิแล้วเราสมควรขึ้นหลังนี้เป็นยังไงมิจฉา อ๋อๆทำไมถึงบรรดาตว่าอะไรสมควรขึ้นก่อนอ๋ออะไรที่สมควรขึ้นก่อนอะไรที่สมควรขึ้นหลังใช่ไหมว่าอะไรควรขึ้นก่อนขึ้นหลังในมรรคแปนเนี่ยอะไรเรียงลําดับใช่ไหมการเรียงลาดั บ, ดบการเรียงลําดับอ๋อการเรียงลําดับมันเป็นอย่างนี้มันจริงๆมันขึ้นก่อนหลังกันได้ทั้งหมด เพราะว่าในมัค8เนี่ยเราจะเห็นว่าผู้เจ้าเนี่ยเอาปัญญาขึ้นก่อน2ข้อแรกนะเป็นปัญญา3ข้อกลางเนี่ยเป็นศินและ3ข้อท้ายเป็นสมาธินะแต่มัค8เนี่ยถูกพูดย่อเหลือ3คือศินสมาธิปัญญาเห็นนะเวลาพูดมัค8ย่อเหลือสามผู้เจ้าจะเอาศิลขึ้นก่อนตามด้วยสมาธิแล้วตามด้วยปัญญามัค8ถูกพูดย่อเหลือ2อีก แต่จะพูดเอาสมาธิขึ้นก่อนแล้วเอาปัญญาตามมานั่นแสดงว่ามัคมีองแปดเนี่ยจะพูดปัญญาก่อนก็ได้จะพูดศีลก่อนก็ได้จะพูดสมาธิขึ้นก่อนก็ได้ดังนั้นมัควิธีเนี่ยเริ่มได้จากทั้งปัญญาทั้งสมาธิทั้งศีลอันไหนก่อนก็ได้ได้หมดถ้าพูดเรื่องศีลก่อนก็พูดมัค8ในรูปแบบของสามอันคือศีลสมาธิปัญญาถ้าพูดเอาคนนั้นจะปฏิบัติสมาธิขึ้นก่อน ก็พูดเรื่องสมาถากะกับวิปัสนาถ้าคนคนนั้นจะพูดเอาปัญญานำก็ให้พูดเรื่องมัชทั้งแปองค์ก็จะเอาปัญญาขึ้นก่อ น, นเวลาทำสมาธิเนี่ยไม่พูดเรื่องสินเพราะอะไรเพราะขณะที่โยมนั่งสมาธิเนี่ยถามว่ากายวาจาของโยมเนี่ยผิดไหมได้ไปทำอะไรผิดมาไม่ได้ทำอะไรผิดณ น, นาทีนั้นณวินาทีนั้นสินบริบูรณ์แล้ว เวลาพูดสมถะจึงไม่ต้องพูดเรื่องศินสินบริบูรณ์ในขณะที่นั่งสมาธินะวินาทีนั้นนาทีนั้นจิตยอมมีศินบริบูรณ์และหลุดพ้นได้แล้วพร้อมแล้วจึงไม่ต้องไปพูดเรื่องสินนะจึงพูดเรื่องสมถะคือจิตนิ่งมีลมอันเดียวหรือสมาธิแล้วก็วิปัสสนาคือปัญญานะปัญญาเห็นการเกิดการดับจิตนิ่งเห็นเกิดดับหลุดพ้นได้เลยอย่างนี้ อ, อีกอย่างเราคงจะเคยได้ยินเรื่องของทานศิลภาวนาแล้วทานหายไปไหนผู้เจ้าบอกเวลารักษาสินนั้นเป็นมหาทานชั้นเลิศเห็นนะนี่คือแง่มุมที่เรามองไม่เห็นแง่มุม ท, ที่ลึกซึ้งของการรักษาสินเป็นมหาทานอย่างไรผู้เจ้าบอกการไม่ฆ่าสัตว์เนี่ย เป็นการให้ทานชีวิตอย่างไม่มีประมาณยังไม่เคยเจอพระสูตรที่พระเจ้าสอนให้ไปปล่อยสัตว์นะแต่สอนแต่เรื่องการรักษาศินโยไม่ต้องไปวิ่งปล่อยสัตว์อะไรเพียงแต่ตั้งเจตนารักษาศินข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์พระเจ้าบอกนี่เป็นอภัยทานอเวรทานอภัยญาปราชาท a นเป็นการให้ทานชีวิตอย่างไม่มีประมาณ โยมปล่อยสัตว์ปีหนึ่งจะได้กี่ตัวกันแต่โยมรักษาสินได้ไม่มีประมาณเป็นการให้ทานชีวิตไม่มีประมาณเห็นไหมดังนั้นการรักษาสินเนี่ยจึงเป็นมหาทานชั้นเลิศสิลดั้งหข้อที่พระเจ้าบัญญัติเอาไวนะ้การไม่ลักขโมยก็เป็นทานให้การให้ทานทรัพย์อย่างไม่มีประมาณดังนั้นคนบางทีจะคิดว่า การประพฤติปฏิบัติจะต้องเริ่มจากศีลก่อนแล้วสมาธิแล้วถึงปัญญ า, านะไม่แน่นอนนะได้หมดเริ่มจากตรงไหนก่อนก็ได้อินทรีย์แต่ละคนไม่เท่ากันนะใครสะดวกตรงไหนก็เริ่มตรงนั้นนะคำถามต่อไปนะคะข้อหนึ่งพบชาติและชรามรณะมีความสัมพันธ์กับเกิดดับอย่างไรคะ เมื่อขณะนั่งสมาธิรู้ลมหายใจและมีเสียงอธิบายขึ้นด้วยในขณะนั้นผู้ปฏิบัติจะต้องทำอย่างไรจึงจะอยู่ในสมาธิรู้ลมหายใจไปด้วยและแบ่งหูรับฟังไปด้วยหรือเปล่าคือยยมไม่เข้าใจคิดว่าการปฏิบัติคือการนั่งอย่างเดียวไม่สนใจอะไรเลยหนทางเข้าสู่วิมุตห้5ประการฟังธรรมก็ถึงวิมุตได้ยมไม่รู้หรอว่าการฟังธรรมเป็นการปฏิบัติ ด, ด้วย คนในครั้งพุทธการนั่งฟังธรรมแล้วบรรลุเป็นอริบุคคลเยอะแยะมากมายเพราะเขาตั้งใจฟังธรรมยังไปนั่งคิดแต่ว่าฟังแล้วเดี๋ยวฉันจะไปนั่งปฏิบัติฟังธรรมนั่นแหละปฏิบัติแล้วเป็นหนทางเข้าสู่บิมุติแล้วเห็นนะไม่รอบรู้ในหนทางเข้าถึงวิมุตนะหรือแม้แต่การบรรยายธรรมเนี่ยพะุทธเจ้าบอกนี่คือหนทางเข้าสู่บิมุติบอกไว้สําหรับภิกษุผู้ตั้งอยู่ในฐานะเป็นครูรูปใดรูปหนึ่ง ว่าขณะเธอแสดงธรรมแก่พิสูจนะ์ะหรือแสดงธรรมแก่คารวะก็ตามนะถ้ายังไม่บรรลุธรรมเนี่ยขณะนั้นถ้าเธอตั้งใจแสดงธรรมเนี่ยเธอจะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งอาจซึ่งธรรมไปพร้อมๆกันจิตจะเกิดปิติเกิดความสุขจิตตั้งมั่นเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานได้เห็นไหมแสดงธรรมก็เป็นการปฏิบัติธรรมหลุดพด้นไะด้นั่งสมาธิเข้าฌานหนึ่งสอสสก็เป็นหนทางเข้าสู่วิมุตตินะ คิดต ร, ตรึกในธรรมนะจนเกิดปิติเกิดความสุขจิตตั้งมั่นก็เป็นหนทางเข้าสู่วิมุตได้เห็นไหมสาธยายธรรมนะสัจชายะก็เป็นหนทางเข้าสู่วิมุตได้นี่ทีพ่พระเจ้าบัญญัติเอาไว้ลหนทางเข้าสู่วิมุตห้าประการนะดังนั้นขณะที่นั่งสมาธิู้ลโมหายใจมีเสียงอธิบายขึ้นด้วยนั้นอยู่ที่โยมจะเอาประโยชน์จากอะไร เกิดยอมรู้แล้วว่าพระสูตรนี้เราเคยได้ยินได้ฟังมามากแล้วได้สดับมากทรงจําได้คล่องปากขึ้นใจและแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นแล้วยอมก็ไม่ต้องสนใจเสียงละหยุดฟังเรื่องเรื่องเสียงก็รู้ลมหายใจเขา้าออกทําจิตให้เป็นสมาธิแต่ถ้าพี่นาแล้วว่าเออพระสูตรนี้เป็นพระสูตรใหม่เรายังไม่เคยได้ทราบเราก็เงี่ยโสดลงสดับตั้งใจใคร่รู้ในพระสูตรนั้นซึ่งสามารถบรรลุธรรมได้เหมือนกัน ตั้งจิตอยู่กับการฟังนะหรืออีกอันหนึง่ง <c> พ <oughs> ระสูตรนี้เคยฟังแล้วแต่ยังไม่แทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นขอฟังซ้ำอีกทีหนึ่งนะเพราะนั้นคําของผูเจ้าเนี่ยเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ่งเป็นชั้นลมกตละโยมฟังสิบเที่ยวก็ได้ความลึกซึ้งสิบเที่ยงนะจะได้ความหมายลึกลึกลึกไปเรื่อ ย, อยนะนี่เป็นเรื่องของ การฟังธรรมนะการฟังธรรมเนี่ยมีโอ้พระเจ้าบอกประโยชน์มหาศาลนะอันดับแรกคือจะทำให้เราเนี่ยเป็นปุถุชนผู้ได้สะดับในธรรมขึ้นมาขยับชั้นเลยนะนะปุถุชนทั่วไปเนี่ยที่ไม่ได้สะดับในธรรมเนี่ยจะไม่มีทางหลุดพ้นได้เลย แม้เขาจะเป็นผู้มีอินทรีย์มากขนาดไหนก็ตามเป็นผู้มีทุลีในดวงตาน้อยขนาดไหนก็ตามไม่มีทางหลุจผลถ้าไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมของพระตถาคตแม้เพียงหนึ่งบทแต่ถ้าเขาได้เป็นผู้ได้สดับในธรรมแม้เพียงหนึ่งบทอีกเหมือนกันเขามีโอกาสที่จะบรรลุธรรมได้ก็อยู่ที่อินทรีย์ของเขาละว่าศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาของมากน้อยแค่ไหน และการฟังธรรมเนี่ยยังเป็นหนึ่งในการรู้ตามซึ่งสัจธรรม12ขั้นตอนนะคนคนหนึงไม่รู้อะไรเลยเนี่ยจะรู้ธรรมะได้ต้องมีอะไรหนึ่งต้องมีศรัทธามีการเข้าไปหามีการนั่งใกล้มีการเงี่ยโสดลงฟังซึ่งธรรมทรงจำธรรมนั้นไว้เอาธรรมะเนี่ยไปไข้ควรพิณาเนื้อความที่ตนทรงจําไว้ทำทั้งหลายเนี่ยจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์ฉันทาย่อมเกิดขึ้นผู้มีฉันทาย่อมมีอุตสาหะ ผู้มีสาห h ย่อมพิจารณาหาความสมดุลแห่งธรรมและ12คือตั้งตรงไว้ในธรรมนี่คือ12ขั้นตอนของคนคนหนึ่งที่ไม่รู้อะไรเลยแล้วจะรู้ธรรมะได้อย่างไรมันจะมีขั้นตอนไปอย่างนี้นะซึ่งโยมสามารถสังเกตได้ว่าคนบางคนมาวัดก็ได้แต่มาถวายทาในให้อาหารเสร็จแล้วกลั บ, บฟังธรรมไม่ได้ฟังไม่เข้ามานั่งใกล้บางคนนั่งมานั่งใกล้เหมือนกันแต่ไปคุยเรื่องอื่น ไปคุยเรื่องโลกไปคุยเรื่องน้นเรื่องนี้ไม่คุยเรื่องธรรมะไม่สนใจที่จะซักถามธรรมะนะนะบางคนซักถามธรรมะเหมือนกันแต่ก็ถามไปอย่างนั้นไม่ได้ใส่ใจที่จะทรงจำนะบางคนทรงจําได้แต่กลับไปไม่เอามาไข่ควรพิจารณาเหนือความที่ตนทรงจําไว้นะธรรมะมันก็ไม่ทนต่อการเพ่งพิสูจน์ศรัทธาอันอย่างลงมั่นก็ไม่เกิดขึ้นเห็นไะหมันเป็นขั้นตอนพื้ น, นเลยฟังแล้วเหมือน ธรรมดาไม่เห็นมีอะไรแต่มันมีคุณค่าในตัวของมันทั้งหมดเลยนะนั้นถ้าศรัทธาไม่มีปุ๊บการเข้ามาหาจะไม่มีนะถ้าการเข้ามาหาไม่มีปุ๊บการเข้ามานั่งใกล้ก็จะไม่มีนะถ้าการเข้ามานั่งใกล้ไม่มีการเงียสวดลงฝังก็จะไม่มีใช่ไหมอ่ามันเป็นธรรมะ ท, ที่เรียกว่าเป็นอุปการละกันไปเรื่อย Snapchat, ไปเรื่อยไปเรื่อยอ ย, อย่างนี้นี่เรียกว่าเป็นปฏิจจสุบานแห่งการ รู้ตามซึ่งสัจธรรม12ขั้นตอนเรียกสัจจานุโพธิที่พารัตวาชาเนี่ยถามกับพระผู้มีพระภาคเจ้านะว่าคนคนหนึ่งเนี่ยจะไม่รู้อะไรเลยเนี่ยมันจะรู้ธรรมะได้ยังไงมันต้องมี12บขั้นตอนนี้นะเพราะนั้นตรงนี้นี่าถามถามว่าเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรคือแล้วแต่นะก็แล้วแต่แล้วว่า เราจะเอาประโยชน์จากการนั่งสมาธิหรือจะเอาประโยชน์จากการฟังธรรมนะได้ทั้งสองอย่างนะดีทั้งสองอย่าง <c oughs> ส่วนคำถามแรกพบชาติชรามรณะมีความสัมพันธ์กับเกิดดับอย่างไรมันคือตัวเกิดดับเลยละ่ะนะจิตที่เข้าไปรับรู้อารมณ์ปุ๊บเนี่ยเรียกว่ามีพบหรือเกิดปรากฏนั่นเองนะจิตตั้งอาศัยอยู่ในรูปนามอย่างใดอย่างหนึ่งละบิญญาณเนี่ย เข้าไปบนรูปในธาตุทั้งสี่คือรูปเวทนาสัญญาสังขารสี่าตเนี่ยเป็นที่ตั้งอาศัยของจิตขณะที่มันเข้าไปตั้งอาศัยเนี่ยเรียกผัสสะสัมผัสขณะมีสัมผัสปั๊บก็มีพบเกิดขึ้นทันทีใช่ไหมมีการตั้งอาศัยและที่ผู้เจ้าเปรียบเหมือนเมล็ดพืชที่เปลือกตกลงไปในผืนนาปั๊บเนี่ยพบเกิดขึ้นแล้วนะแล้วเมล็ดพืชเนี่ยก็งอกขึ้นมานี่เรียกว่าชาติและจะจบด้วยชลาและมรณนะ ดังนั้นเกิดดับก็คือมเมล็ดพืชตกลงมาโป๊ะเนี่ยคือเกิดง่อคือชาติเนี่ยคือตั้งอยู่และชรลามรณะคือดับไปอันนี้จังทุกขั้งเสื่อมและแตกสลายดับดังนั้นพบชาชรามรณะมรณะมันก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั่นเองตรงๆเลยอริสัตถีสมุทัยกับนิโรธเกิดกระดับนะเข้าใจนะข้อต่อไปนะคะ เรื่องกรรมเก่ากรรมใหม่เป็นจริงไหมบุคคลที่ความเป็นอยู่ปัจจุบันไม่ค่อยได้ประพฤติธรรมไม่ชอบทําบุญแต่มีความเป็นอยู่สุขสบายมีทรัพย์สินเงินทองมากมายคนชอบพูดว่าเป็นเพราะกรรมเก่าทํามาดีตรงกันข้ามกับคนที่ประพฤติธรรมชอบทําบุญทําทานแต่ความเป็นอยู่ปัจจุบันไม่มีความสุขความสบายคนชอบพูดว่าเป็นเพราะกรรมเก่าทําไม่ดี คือถ้าคนที่โยนไปว่าทุกอย่างเกิดจากกรรมเก่าอย่างเดียวนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิเลยผู้จ้าบอกไม่ได้เกิดจากกรรมเก่าอย่างเดียวมันเกิดจากกรรมในปัจจุบันด้วยนะดังนั้นกรรมเนี่ยมีนวกรรมคือกรรมใหม่ปุรานกรรมคือกรรมเก่านะนวกรรมกรรมใหม่เกิดจากอะไรเกิดจากสัมผัสผัสสนปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าเป็นกรรมใหม่นะเหตุเกิดของกรรมคือผัสส ตากระทบรูปหูกระทบเสียงนี่กรรมเกิด <c oughs> นะและวันๆเนี่ยยมนับกรรมไหวไหมเนี่นับไม่ไหวเลยใช่ไหมตั้งเอาตั้งแต่เช้าตื่นมาจนถึงเวลานี้เราก็นับไม่ทั่วแล้วว่าตากระทบรูปกี่ครั้งหูกระทบเสียงกี่ครั้งจมูกดมกลิ่นกี่ครั้งทุกอัยนะที่มีการสัมผัสนั่นคือเหตุเกิดของกรรมทั้งหมดเลยเยอะมากนะมันเป็นการกระทําของจิตต่อรูปนามนั่นเอง ผัสสะเป็นเหตุเกิดของกรรมและผัสสะเป็นความดับของกรรมนะกรรมคือเจตนาผู้เจ้าบอกว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเจตนาเนี่แหละเป็นตัวกรรมนะเหตุเกิดมันคือผัสสะและความดับของมันก็คือผัสสนะเพราะฉะนั้นกรรมของแต่ละคนที่ดำเนินชีวิตอยู่เนี่ยประกอบทั้งกรรมเก่าและกรรมใหม่ผู้เจ้าจึงบอกว่ากายนี้ เป็นกรรมเก่าตาหูจมูกลิ้นกายจิตเป็นกรรมเก่าไกายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายและทั้งไม่ใช่ของบุคคลเราอื่นกรรมเก่าคือไายนี้อันบุคคลทั้งหลายเพึงเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเป็นสิ่งที่มีปัจจัยทําให้เกิดความรู้สึกขึ้นเป็นสิ่งที่มีความรู้สึกต่ออารมณ์ได้นี่คือวิธีมองกายดังนั้นเนี่ยเราประเมินไม่ได้หรอกว่าคนคนหนึ่งที่เขา มีความสะดวกสบายนในด้านทรัพย์สินเงินทองมีบริษัทบริวารคอยใช้สอยมีชื่อเสียงมีเกียรติยศว่าอันนี้เป็นเพราะกรรมอย่างนี้อย่างนี้เหตุปัจจัยตรงนี้เนี่ยพเจ้าจะบัญญัติไว้เท่านั้นนอกนือจากที่พระเจ้าบัญญัติแล้วเนี่ยมันเกินวิสัยกว่าที่เราจะไปรู้ดังนั้นวิบากของกรรมเนี่ยจะมีสองอย่าง อย่างหนึ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่พระุทธเจ้าไม่ให้เราเข้าไปสนใจหรือเข้าไปไปสาะแสกค้นหาสืบค้นเป็นหนึ่งในอาชินไตนะทำอะไรแล้วจะได้ผลอะไรอะไรอย่างนี้จะให้ศึกษาเฉพาะที่พระุทธเจ้าบัญญัติแต่อย่าไปสแกนเองไปค้นเองไปดูเองนะจะมีส่วนแห่งความวิปลาสซึ่งมีสีข้อที่พระุทธเจ้าบอกไม่ควรเข้าไปคิดหนึ่งวิสัยของพระพุทธเจ้า วิสัยของผู้ได้ฌานวิบากของกรรมเรื่องของโลกแต่วิบากของกรรมที่พระเจ้าให้เข้าไปรู้เข้าไปสนใจเนี่ยคือวิบาศกในระดับของเวลาคือวิบากในทิฏฐธรรมคือในปัจจุบันกรรมอะไรที่จะส่งผลในปัจจุบันเวลาถัดมาและเวลาถัดมาอีก3ระดับเพราะถ้าโยมต้องการแก้กรรมเนี่ยในปัจจุบันทันทีโยมจะได้รู้ว่าเราจะต้องแก้อย่างไงคือการมาทําสมาธิ8ระดับ เป็นกรรมดีที่จะส่งผลในปัจจุบันทันทีนตั้งแต่การเข้าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานเจตุติฌานอากาสานัญจายจตนาวิญญาณัญจายจตนาอากิจัญญายตนาเนวสัญญาณนะสัญญาจตนะนี่คือ8ระดับของสมาธิซึ่งเมื่อบุคคลใดทำแล้วเนี่ยกรรมตรงนี้จะส่งผลในทิฏฐธรรมคือในปัจจุบันทันทีดังนั้นการรู้เรื่องกรรมในระดับของเวลาเนี่ยมันทำให เราเนี่ยอ่าหาวิธีแก้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้นะ <c oughs> มีเรื่องของกรรมนะดังนั้นก็คือทั้งกรรมเก่าและกรรมใหม่ทั้งคู่ใครโยนไปเรื่องกรรมเก่าอย่างเดียวก็เป็นมิจฉาทิฏฐนะิหมดคมถามกระดาษนะมีใครถามอะไรเพิ่มเติม สมูบาททำไมใกล้ๆเสียงดังอยู่ค่ะก็คือถ้าเกิดว่ามเมล็ดพืชตกในผืนนาแล้วใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็มันเริ่มงอกก็เกิดพบเกิดชาติแล้วถ้าเกิดเรากลับมาอยู่กับกายก็คือชราโมรณะก็จะดับไปก็คือตรงนั้นก็คือตัดตัดตัดก็คือตัดวงจรของปฏิจจสมูบ า, าใช่ไหมคะอา่าค่ะก็คือก็คือถ้าเรารู้ว่าเราคิดแล้วก็คือต้องดับให้เร็วที่สุด ชชาติก็จะสั้นที่สุดพบก็จะสั้นที่สุดนั่นคือเราไปดับเหตุอันจะนำไปสู่ชลาและมรณะพูะเจ้าจึงบอกอนนท์ถ้าชาติเนี่ยไม่มีโดยประการทั้งปวงแก่และตายจะมีขึ้นมาได้ไหมไม่ได้แก้วแตกเพราะมันมีแก้วขึ้นมาถ้าโยมไม่ให้มีแก้วในโลกเนี่ยคำว่าแก้วแตกจะไม่มีปรากฏขึ้นนฝนตกเพราะอะไรเพราะมันมีเมฆ ถ้ายมไม่ให้มีเมฆในโลกนี้ทั้งหมดเลยฝนมีไม่ได้เข้าไปดับเหตุชาติคือการผูกจิตติดกับอารมณ์มีเพราะอะไรเพราะว่ามีพบสถานที่เกิดมเมล็ดพืชงอกเป็นต้นมาได้เพราะมีการที่มเมล็ดพืชไปตั้งอาศัยบนผืนนาทําทให้มันเนี่ยมีที่ตั้งอาศัยในการงอกเป็นต้นขึ้นมา พระเจ้าจึงบอกขนาดที่มเมล็ดพืชเปลิวตกลงไปในผืนนานั้นเรียกว่ามีพบคือสถานที่เกิดและชาติการเกิดคือการงอกขึ้นมาของลาต้นพืชดังนั้นถ้าโยมไม่ต้องการให้มีชาติการเกิดโยมต้องไปดับที่พบพอมเมล็ดพืชเปลิวตกลงไปผืนน า, นาปุ๊บโยมเขี่ยออกเลยจิตไปรับร่วลมปุ๊บเขี่ยออกเลยดับทันทีพบดับชาติจะมีต่อไม่ได้ชราหมอนะก็จะไม่มี พอเราเรารู้ตัวว่าเราคิดรับเนี่ยให้เรารีบดับดับทันทีใชก็จะไม่เกิดไม่ไม่เกิดเหมือนมีกรรมอีกอะไรเนี้ยใช่ไหมคะพื้นนาจะไม่มีการงอกจะไม่มีพื้นนาคือกรรมเมื่อเมล็ดพืชหลุดจากผื้นนาก็คือกรรมไม่มีหใช่ใช่ถูกต้องับร ถูกต้องช่เพราะเราเป็นคนมาเนี่ยเราคงสั่งสมแน่นอนความเป็นพวเป็นชาติเยอะมาก<า>เยอะมาก ย, ยมไปคอยนั่งแก้กรรมนั้นกรรมนี้เจ้าเวนนั้นเจ้าเวนนี่ไม่หมดนะเป็นแสนแสนล้านๆไม่มีทางหมดออกจากระบบนี้เลยนี่คือวิธีแก้ที่ถูกต้องอดังนั้นไปทดแทนนั้น น, นี่ให้เจ้าเว น, นกรรมไม่มีหมดหรอกเยอะเป็นแสนเป็นล้าน มดเป็นล้านตัวปลูกเป็นล้านตัวที่โยมเคยฆ่ามาในสังสารวัตรนะสิงสารสาาัตว์เยอะแยะอื ม, เ, มอ เ, อเคมอื้อลพ่อชาบอกว่าบุญก็ไม่เอาบาปก็ไม่เอาออก็คือลัอกษณะ น, นี้ใช่คะคือภพนั่นเองอ่ะภพที่เป็นกุศล อ, อกุศลนะที่พูเจ้าตรัสว่านั่นคือภพทั้งสิน้นนะโยมคิดเรื่องอะไรก็ตามเป็นภพกแเลย ใช่ตัดการเกิดของจิตจิตสร้างการเกิดปุ๊บดับเลยนะ<ช>อย่างนี้นอาจารย์นะก็ต้องเชื่อเวลาการปฏิบัติที่บอกว่าจิตเห็นกายอะไรเนี่ยอาการลักษณะมเป็นยังไงอาจารย์จิตเห็นกายก็คือจิตรู้ลมหายใจในจิตเห็นกายละว ค, คือไม่ใช่ว่าจิตก็เป็นตัวจิตใช่ไหมครับแล้สมมติอาการที่เราเคลื่อนไหวไปก็ก็เป็นอาการที่เคลื่อนไหวไปแต่จิตเราจะเห็นว่าอ๋อ กล้าไปอย่างนี้มันมันดูเหมือนกับมันไม่ได้แนบเป็นคนเดียวกันถูกไคะมันหนกับสองสิ่งใช่ไหมคะสองสิ่งคือคือจิตก็เป็นจิตก็คือตัวผู้รู้ใช่แล้วก็อาการที่เราเคลื่อนไหวไปก็คือส่วนอาการที่เราเคลื่อนไหวไปเป็นส่วนของสังขารเรที่เคลื่อนไหวไปใช่ไหมคะต้องผู้เจ้าบอกเธอต้องรู้ว่ากายนี้อย่างหนึ่งจิตนี้อย่างหนึ่ง<ม>และจิตนตั้งอาศัยอยู่ในกาย ยมต้องรู้แค่นี้ว่ากายเนี่ยมีจิตมาตั้งอาศัยอยู่น ะ, ะแต่การเคลื่อนเนี่ยเพื่อให้รู้ว่า <c oughs> ขณะ น, นี้กายกำลังจะทำอะไรถ้าโยมไม่ได้เคลื่อนก็คือยืนเฉยๆอย่างนี้จิตก็ต้องรู้ว่าขณะนี้กำลังยืนใช่และเราต้องมีปัญญารู้ว่ารูป ก, กายที่ยืนอยู่เนี่ยมีวิญญาณตั้งอาศัยอยู่คือผู้รู้เพราะกายเนี่ยมันไม่รู้เรื่องอะไร คือมีเพื่อนเขาเคยเล่าให้ฟังเลยเขาไปปฏิบัติมานอฮเขาบอกเขาก็ปฏิบัติแบบช้าๆช้าๆอย่างเงี้ยจนจุดหนึ่งเนี่ยเขาจะเห็นเลยว่าจิตเขาก็ส่วนจิตแล้วมือมันก็เคลื่อนไปแบบอัตโนมัติแบบนี้ค่ะฮ ก, ก็คือที่พระอาจารย์บอกใช่ไหมคะว่าจิตเห็นเห็นกายใช่จิตเห็นกายกําลังเคลื่อนอหรือจิตเห็นกายกําลังนั่ง นั่งก็ได้นะไม่ใช่ว่าจะต้องเคลื่อนพระเจ้าบอกนั่งหรือว่านั่งยืนหรือว่ายืนเดินหรือว่าเดินนอนหรือว่านอนอทุกอิริยบทนี่คือกายยักตาสติแต่ถ้าการปฏิบัติของเราดีจริงเนี่ยคือมันก็ไม่ใช่เป็นแค่สัญญาว่าเออแบบเราฟังมาเรียนมาเราก็เลย เ, เข้าใจแบบนี้แต่ถ้าเราทำที่ว่าได้ มันต้องเห็นแบบนั้นจริงๆไม่ใช่เรารู้ว่าเออมันจะต้องเป็นแบบนี้ถูกครับต้องรู้ก่อนอเพราะถ้าไม่รู้ก่อนเนี่ยปฏิบัติต่อไม่ได้นะดังนั้นสัญญาที่เป็นธรรมะเนี่ยปุจ้าบอกเป็นสัญญาที่เป็นส่วนประกอบแผงวิชามีประโยชน์ต้องมีก่อนอสัญญาเกิดก่อนญาณเกิดทีหลังญาณคือความรู้จะเกิดทีหลังหลังจากมีสัญญาหรือมีฌานคือการเพ่งน่ะ ดังนั้นความรู้ที่ได้มาแล้วเนี่ยก็เรียกว่านำเอาไปใ่้ควรพิจารณาเนื้อความที่ตนทรงจำไวนะ้ทรงจำมาแล้วนะแล้วเอามาเพ่งพิสูจน์ข้อข้อธรรมสมมุติทรงจำอย่างเดียวแล้วไม่เพ่งพิสูจน์ถามว่าได้อะไรพระุทธเจ้าบอกจะได้ไปบรรลุในภพของเทวดานี่แค่จำได้อย่างเดียวนะแต่ต้องจำคำตถาคตนะอ่าพระพุทธเจ้า รับประกันว่าแม้เธอจะมีสติหลงลืมทําการละเธอก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทวดาแล้วจะได้บรรลุธรรมในภพของเทวดาด้วย4อาการ 1. ตัวเทวดาคนนั้นเนี่ยจะระลึกถึงบทแห่งธรรมที่ตัวเองเคยทรงจําได้สมัยเป็นมนุษย์ 2. จะไปได้ยินพวกภิกษุผู้มีฤทธิ์ซึ่งขึ้นไปแสดงธรรมในหมู่เทพบริษัทแล้วก็จะบรรลุธรรมอย่างที่3ก็จะได้ยินพวกเทพบริษัทแสดงธรรมด้วยกันเองแล้วก็จะบรรลุธรรมอย่างที่4พวกเทพบริษัทผู้เกิดก่อนจะมาเตือนเทพบริษัทผู้เกิดหลังถึงธรรมะแล้วก็จะบรรลุธรรม นี่คือแค่จำอย่างเดียวนะยังไม่ได้อะไรดังนั้นเนี่ยเราจะต่ำหนีการทรงจำไม่ได้แต่ใครจำได้และเอาไปค่ควรเอาไปประพฤติแบบแน่นอนย่อมไม่เกิดความเล่นช้าจะได้เร็วกว่าประโยชน์คือตรงนั้นนะฮะด้ดได้ได้ใช่ นั่นแหละพระบอกผิดจํานวนมากยงไปดูพระสูตรมีเยอะมากมายลายหลายสิบพระสูตรที่พระเจ้าตันอาตมาก็เคยรู้มาอย่างเยมนั่นแหละครูบาอาจารย์บอกว่าพบเทวดาไม่ได้เรามาเจอคำพระชจ้าจริงได้ครูอาจารย์พูดผิดเพราะไม่ได้ศึกษาพุทธวิชช น, ะน ะ, ะ่นั่นเราก็ต้องวางคำพวกนั้นไปนเราก็เคยฝังใจมาตลอดว่าเทวดาบรรลุไม่ได้มีพวกเดียวที่บรรลุได้คืออนาคามีสุทาวาสพบ นี่ถ้าเราสอนอย่างนั้นไปเราก็สอนผิดบานเลยต่อไปเรื่อยๆเพราะไปจําคําของครูอาจารย์มานี่นี่คือผลเสียของระบบอาจารย์ยวิยาวัฒนเพราะไม่ตรวจสอบกับพุทธวจนะพุทธเจ้ามีบอกเนี่ย <c oughs> อ, อ, อย่างคนที่ได้สมาธิเข้าชานหนึ่งสองามสี่ถ้าเข้าชานหนึ่งได้เนี่ยแล้วตายไปในขณะนั้น <c oughs> เขาจะได้ไปเป็นพรหมกายิการนันเทวานันแต่จะเป็นเทวราที่เป็นปุถุชนแต่ถ้าเข้าสมาธิได้ปุ๊บเนี่ย แล้วเห็นเกิดดับด้วยตายไปก็จะได้เป็นพรหมกายิกานางเทวานางังแต่จะเป็นเทวดาที่เป็นอริบุคคลและจะปรินิพานในภพนั้นนะไม่ต้องไปเจอาศาสนาอะไรแล้วเขาต่อยอดเขาได้แล้วนะชั้น2ก็ตัดเหมือนกันได้เป็นเทวดาที่ได้กายอาภัสระเวหาภะระขึ้นไปเรื่อยๆกายเลืขึ้นไปเรื่อย ๆ, อยๆนะแล้วปรินิพานในภพนั้นทั้งหมดเลยโอ้นี่เทวดาแทบทุกชั้นเลยปรินิพานได้หมดเลย คมามเป็นพะิธีนะกา ร, การพระอาจารย์กับขอเรียนถามสามข้อนะครับจากที่ฟังมาเบื้องต้นข้อหนึ่งก็คือตามที่พระอาจารย์บอกว่าหนทางสูง่มิมนี่ครับมีหาวิธีเช่นการฟังธรรมทีนี้การฟังธรรมจะเนี่ยครับหมายถึงคารวาดใช่หรือเปล่าครับเพราะว่ามีพระสูตรที่บอกว่า ควรปฏิบัติคือปฏิบัติมากกว่าฟังธรรมครับอย่างเช่นปฏิบัติสักสิชั่วโมงและฟังธรรมแค่2ชั่วโมงอย่างเงี้ยครับซึ่งถ้าคาราว่าจะเลือกเฉาแค่ฟังธรรมอย่างเดียวอย่างเงี้ยครับมันจะขัดกันตรงที่หรือเปล่าหรือว่าคาราวัตก็ฟังแค่ฟังธรรมอย่างเดียวพอไม่ต้องเน้นปฏิบัติมากนะครับไม่ได้ขัดกันนี่มันอยู่ที่เขาแน่ใจไหมล่ะว่าเขามีอินทรีย์5าของแก่กล้าศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาใครแกละแก่กล้าคนนั้นก็บรรลุได้เร็วครับนะ ซึ่งไม่มีใครรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีได้แค่ไหนมีแต่ผู้เจ้าเท้านั้นเป็นผู้รู้ความยิ่งและหย่อนแห่งอินทรีย์ของบุคลคลนอกนั้นไม่มีใครรู้เราก็เลยต้องทำมันทุกอย่างเลยอะไรที่ผู้เจ้าบอกดีเนี่ยทำหมดข้อสองนะครับเอที่พระอาจารย์บอกว่ามหาทานก็คือเรื่องของศีลศีลนะครับคือพระอาจารย์บอกว่าก็คืออาจจะต้องมีเจตนาวิรัตอืก็คือขอเรียนถามว่าการที่เรา จะสมาทานสินหรือยังครับต้องมีเจตเจตนาวิรัตก่อนหรือเปล่าถึงชื่อว่าเป็นสินเจตนาเป็นตัวกรรมอยู่แล้วยังไม่มีเจตนาจะเป็นกรรมได้อย่างไงอ๋อครับแต่เห็นพระอาจารย์บอกอตอนแรกว่าถ้าเราจเจริญอนาปรารสติก็คือทําได้เลยคือว่าถือว่ามีสินอยู่ในตัวอยู่แล้วอ๋อก็ไม่มีข้อผิดทางกายวาจาครับเมื่อไม่มีข้อผิดทางกายวาจาสินจะถูกต้องโดยอัตโนมัติครับแต่เรามีเจตนาอยู่กับอารมณ์อันเดียวครับใช่ ดังนั้นศินก็เกิดขึ้นก็ยังยมมีเจตนารักษาศินทําไมผู้จ้าบอกเป็นมหาทานเราไม่ได้มีเจตนาให้ทานด้ําครับใช่ไหมเหมือนกันน่ะมันเป็นการให้ทานทรัพย์ให้ทานชีวิตให้ทานทรัพย์ให้ทานของรักยังไม่มีประมาณครับอย่างนี้มันแฝงอยู่ในนั้นอ่อาข้อสามนะครับขอให้พระจารย์อธิบายพระสูตรที่บอกว่าเข้าใจทำเพียงบทเดียวก็เพียงพอครับ อ, อันนี้จังก็ได้อันเดียวละนันทิ และนั่นที่จิตหลุดพ้นได้เลยพรนะุทธเจ้าตัดเนี่ยพอดีผมเคยไปอ่านพระสูตรตรงนี้นะครับประมาณว่าพระสูตรนี้ที่คือพระพุทธเจ้าครับตัดกับเหมือนปริพาโชคครับ uh huh. ซึ่งปริภาชคเนี่ยครับก็ไม่ได้เลื่อมใสพระพุทธศาสนาอ uh huh. พระพุทธเจ้าก็เลยบอกประมาณว่าเข้าใจทำเพียงบทเดียวก็คือยกตัวอย่างว่าสติสมาธิอย่างเงี้ยครับก็เป็นประโยชน์แก่เธอตลอดกาลและนา น, น, นก็คือประมาณแบบนี้ก็คือหมายความว่าเข้าใจทำเพียงบทเดียวก็คือเพียงพอช ก็เพียงพอแล้วที่จัดกับคำมินีิจคือตรงนี้ยก็เป็นปริภาชกส่วนในภิกษุในธรรมวินัยนี้หรือวารสปวสิกาที่พระเจ้าตัดก็มีเช่นว่าถ้าเธอมีจิตฝังลงไปอย่างติดต่อสม่ำเสมอไม่ขาดตกบกพร่องในความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำผลที่เธอหวังได้คือพระอรหันต์พระสูตรนี้ก็มีบทเดียวไหมละ่ะคําเดียวแค่นะั้นอันนี้อันนี้จังใช่ไหมเพราะพอโยมแต่อันนี้จังได้ปุ๊บนี่ก็พระอรหันต์นอนมาแนละ้วใช่ไหม พอได้โซดาบัลเนี่ยเที่ยแทนแล้ว ค, ค, คือพระอาจารย์คะคือเคยทําสมาธิอะค่ะแล้วก็เห็นก้อนกายตัวเองนะคะแล้วก็<อ>มีความคือเหมือนสิ่งสิ่งหนึ่งสิ่งของอะไรเงี้ยคะ่ะอาจารย์แล้วก็มีความคิดว่าคือมันเห็นว่าเอ้ยมันไม่ใช่ตัวเรา พอระหว่างที่เราเห็นว่าเอ้ยมันไม่ใช่ตัวเราแล้วเนี่ยรู้สึกกลัวขึ้นมาค่ะแล้วก็ครั้นี้ก็กลับมาอยู่กับรูปเหมือนเดิมอะค่ะแล้วอย่างนี้ต้องต้องทํำยังไงต่อคะก็ทำใหม่ทาซ้ําไปนะเรากลัวกลัวอะไรล่ะเพราะความยึดมั่นในขันห้ามมีอยู่ความกลัวความสะดุ้งหวาดเสียวจึงมีย่อมหาเหตุปัจจัยของการกลัวเลยกลัวอะไรอะไรมันจะแตกอะไรสลายอะไรจะพังอะไรจะเป็นไปใช่ไหม เนี่ยไข้ควรทําเลยไปวิ่งหนีไปไหนอะนะมันมีเหตุที่จะให้ไข้ควรพิจารณาแล้วเนี่ยน ะ, ะสมาธิไม่ก้าวหน้าไม่แข็งแรงพระอาจารย์มีเทคนิคอะไรที่ให้แบบมั่นคงแบบไปถึงฌานได้เดี๋ยวมา่อเราเอาอะไรมาเป็นตัววัดว่าสมาธิไม่ก้าวหน้าไม่แข็งแรงก่อน มันจะฟุ้งไปเรื่อยๆมันฟุ้งไปเรื่อยๆ แ, แล้วฟุ้งแล้วกลับมาได้เร็วไหมกไม่ได้ค่อยเท่าไหร่ดีกว่าเดิมไหอ่าดีกว่าเดิมนี่ก้าวหน้าแล้วอาจาจึงถามว่าโยมเอาอะไราาเอาอะไรมาเป็นตัววัดความไม่ดีหรือความดีของสมาธินะหรือความก้าวหน้าหรือไม่ก้าวหน้าคนมักจะมาคิดว่าเออถ้านั่งแล้วฟุ้งเนี่ยคือไม่ก้าวหน้า ไม่ได้เคยคิดเลยว่าฟุ้งล็อกกลับมาได้เร็วหรือเปล่าเป็นเครื่องวัดความก้าวหน้านี่ไงผู้เจ้าเนี่ยเอาความเร็วในการดึงจิตกลับมาสู่กายเนี่ยเป็นเครื่องวัดความก้าวหน้าถามว่ามุมนี้เคยมีใครบอกมันอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศละอารมณ์ได้เร็วดุกระพิบตาผู้เจ้าชมละอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศกว่ายมจะเดินไปแตะจุดนั้นเนี่ยมันเล่นกันเป็น5ปี10ปีนั่นแหลนะนะ ดังนั้นเนี่ยโยมต้องจับประเด็นให้ได้ว่าผู้เจ้าเนี่ยเอาความเร็วในการละอารมณ์ให้กลับมาละอารมณ์กลับมาเป็นเครื่องวัดความก้าวหน้าไม่ใช่ว่าเอาความฟุ้งหรือไม่ฟุง้งนะถ้าโยมเอาเรื่องฟุ้งเนี่ยไม่มีทางหรอกเพราะจิตมันเกิดดับตลอดเวลามันฟุ้งหมดนะนะนั้นต้องปรับปรับมาตรฐานการมองใหม่ว่าโยมหลุดไปปุ๊บเนี่ยกลับมาได้เร็วไหมหลุดไปปุ๊บกลับมาได้เร็วไหมอย่างนี้ เคยหลุดไปแล้วเพลินไปครึ่งชั่วโมงตอนนี้เหลือห้านาทีก้าวหน้าแล้วเหลือสานาทีเก้าหน้าแล้วเหลือสองสามวินาทีก้าวหน้าแล้วไปปุ๊บปุ๊บไม่นานปุ๊บกลับมาไปปุ๊บไม่นานปุ๊บกลับมาได้นี่ไงเห็นนะพบชาติเกิดสั้นลงสั้นลงสั้นลงน้อยลงเรื่อยๆถ้าโยมมีมาตรฐานตรงนี้หมายโยมอาจจะไม่เกิดคําถามนี้ว่าดิฉันไม่ก้าหน้าอเออเก้าหนาเราเว้ยดีว่าเมื่อหลายปีก่อนต้องเยอะ ใช่ไหมเนี่ยปรับมาตราฐานใหม่เยอะหรือว่าต้องให้ถึงฌานไม่ถึงฌานก็หลุดพ้นได้นะอ่าครูเจ้าตัดไปไงอทุกขาปฏิปทาขิปนาพิญญาปฏิบัติเป็นทุกสําเร็จเร็วไม่ได้ฌานหนึ่งสองสามสี่นะแต่สําเร็จเร็วทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาไม่ได้ฌานหนึ่งสองสามสี่สำเร็จชาเพราะอินรี่ห้าเขาอ่อน สุขขาปฏิปทาขิ ป, ปาพิญญาได้ฌานหนึ่งสองสามสแล้วสำเร็จเร็วภูวกที่ 4, สี่สุขขาปฏิปทาทันทาพิญญาได้ฌานหนึ่งสองสามสี่สเร็จชา้าเพราะอินรี่ห้าอ่อนโยมต้องการได้ฌานไปเพื่ออะไรนะต้องมีคำตอบในใจด้วยถ้าต้องการได้สุขกับวิลาธรรมในการประพฤติปฏิบัติสมควรทำแต่ถ้าบอกต้องการการหลุดพ้น แค่เห็นเกิดดับก็หลุดพ้นได้แล้วอกุศลดับไปได้แล้วเห็นการเกิดดับจิตตั้งอยู่กับกายคือลมหายใจเข้าออกอยู่กับสติปัฏฐาน4ี่หลุดพ้นได้แล้วนะเวลาพระองค์ตัสสติปัฏฐาน4ีพระองค์ไม่พูดเรื่องชานเลยหนึ่สสมสไม่ได้พูดนะแค่รู้ลมหายใจเข้าออกตลอดอธิบายจนถึงการหลุดพ้นก็ยังมีลมหายใจไหลเข้าไหลออกอยู่ตลอดนะโพชฌงเจ็องตัสรู้ธรรมยังมีลมหายใจไหลเข้าไหลออกอยู่เลย ใช่ไหมถ้าเป็นฌานก็เป็นฌานหนึ่งสองสามไม่ถึงสี่ถ้าไม่ได้ฌานก็อยู่กับลมหายใจอนาปาณสตินี่แหละหลุดพ้นได้เทวดาที่เขาบอกว่าตามต้นไม้ใหญ่มีเทวดารักษาหรือว่าตามถาม้ตามเจ้าที่เจ้าทางพระอาจารย์ว่ามีจริงนะคะอาตมาว่าไม่ได้หรอกเกิมต้องไปดูผร้เจ้า ดังนั้นเวลาพูดไลขึ้นมาเนี่ยโยต้องถามผู้เจ้าว่าว่าอย่างไรเวลาถามคําถามขึ้นมาตามพระตาถาคตพูดอย่างนี้หมายความอย่างไรไม่ใช่อาจารย์คึคกฤทธ์พูดอย่างนี้หมายถึงอะไรเพราะอาจารย์คึกฤทธ์เนี่ยพูดคำพระพุทธเจ้าอย่างน้อยโยมจะได้รู้สึกว่าเวลายมจะขัดแยง้งโยมกําลังขัดแย้งกับพระพุทธเจ้าใช่ไหมแล้วโยมจะต้องจดจําบททจน์นัให้แม่นๆอ่าอย่างนี้ใช่ไหมไม่ได้ขัดแย้งกับอาจารย์ครึกฤทธ์นะเพราะคําสอนอาตมาเนี่ยไม่มี ย่มดูเสียตมาพูดมาปุ๊บเนี่ยตมาขึ้นจอปุ๊บเนี่ยเป็นพระสูตรทั้งสิ้นใช่ไหม я? อ่าแล้วอย่างหนึ่งเราจะได้สํานึกถึงพระพุทธเจ้าทุกครั้งทุกครั้งเนี่ยคนนึกไม่ถึงพรุทธเจ้าสักทีอาจารย์ฉันว่ามีอาจารย์นี้ว่าอย่างนี้ทําไมไม่พูดว่าพระพุทธเจ้า ว, ว่าอย่างนี้ใช่ไหม я? อ่าดังนัง้นพระพุทธเจ้ามีความเห็นตรงนี้ไปแล้วเทวดาที่อาศัยปัตภีเป็นที่อยู่ก็มีอาศัยอากาศเป็นที่อยู่ก็มีอาศัยต้นไม้เป็นที่อยู่ก็มี แต่ไม่ใช่ว่าต้นไม้ทุกต้นจะต้องมีเทวดาแต่เทวดาที่อาศัยต้นไม้เป็นที่อยู่ก็มีเหมือนกันน ะ, อ, ะอย่างนี้ ค, ค่ะอ า, าอจารย์คะขอความรู้เรื่องบรรลุธรรมนะคะยังไม่เคยเขาย้าใจเรื่องบรรลุธรร ม, รมใช่ไหมคิดว่าปฏิบัติแล้วจะบรรลุธรรมคือยังไม่เข้าใจความหมายว่าบรรลุ บรรลุธรรมคือการเห็นสัจจกความจริงคือการรู้อริ ส, สัตตนะที่พระเจ้าตัดว่าสถานที่สมแห่งที่พิสูจนจะจําได้ตลอดชีวิต 1. ท, ที่ที่ตนเองเกิดคือบวชเป็นพิสูจน์ะปลงผมและหนวดครองผ้ากาสายะสอง ท, ที่ที่ตนเองบรรลุธรรมทีนี้มาดูละบรรลุรธรรมคืออะไรพระเจ้าบอกคือพิสูจนนั้นเนี่ยรู้อริ ส, สัต4 ทีแรกเรานึกว่ารู้อริสสีคือการรู้เป็นพระรหันต์ไม่ใช่เป็นการบรรลุธรรมขั้นต้นนะและสถานที่ที่สมคือที่ที่เข้าเนี่ยสินาา้นอาสวะนะรบชนะฆาศึกก็คือสําเร็จเป็นพระรหันต์นี่คือสถานสามสถานที่ที่คนคนนั้นเนี่ยพิสูจนนั้นจะจําได้ตลอดชีวิตดังนั้นมันเป็นคําตอบเรื่องของการบรรลุธรรมคือการรู้อริสสีนะหรือที่บอกพระอริสมงคลสามจำพวกบางพวกรู้อริสสัต์เนี่ย แล้วตอบปัญหาพิธัมอาพิ้งไนไม่ได้บางพวกรู้แล้วตอบได้บางพวกรู้ตอบได้แล้วก็โดยลาบอย่างนี้ดังนั้นการรู้อเลยสัตว์คืออะไรการเห็นการเกิดและการดับเกิดดับของอะไรเกิดดับของขันห้าเกิดดับของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณแค่นี้บรรลุธรรมละมีความเชื่อน้อมจิตไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยง ว่ามันเกิดแล้วมันแปลเปลี่ยนแล้วมันดับแน่นอนไม่เชื่อว่ามันมั่นคงก็กลับไปดูคุณธรรมของความเป็นโสดาบันโสดาปฏิมรักขั้นต้นเลย <c oughs> ที่ยังไม่ได้ปฏิผลก็จะมีสองพวกรสธานุสาลีกฐามานุสาลีสถานุสาลีก็คือคุณสมบัติคือมีความเชื่อน้อมจิตไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงนี่โสดาบันละ ดังนั้นกรอบในการมองกรอบในการพิจารณาเนี่ยกลับมาอยู่ที่ตรงนี้อย่างเดียวเลยไม่มีกรอบอื่นอย่างที่สองเนี่ยธรรมานุสาลีคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยทนเพ่งโดยประมาณอันยิ่งด้วยปัญญาของบุคคลใดบุคคลนั้นชื่อว่าธรรมานุสาลีเพ่งเพื่อหเห็นอะไระให้เห็นอาการไม่เที่ยงอาการไม่เที่ยงว่าตาเนี่ยไม่เที่ยงเสื่อมไปหูเสื่อมจมูกเสื่อมจิต แปลเปลี่ยนเสื่อมไปสุขเกิดมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปดับไปทุกเกิดมาแล้วก็ดับสัญญาความจำได้หมายรู้ก็ดับสังขารก็ดับเนี้ยเห็นตรงเนี้ยโสดาบันแล้วเห็นอะไรขัน5เห็นอย่างไรเห็นโดยอาการไม่เที่ยงเป็นเครื่องวัดโสดาบันแต่บางทีฟังตรงนี้มันยังเหมือนกับว่ามันยังคุมคุมเครือ นหน้าที่เราก็คือเห็นการเกิดการดับซ้ําไปเรื่อยๆหน้าวันหนึ่งมันจะชัดขึ้นมาว่าเออใช่มันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรเที่ยงแท้เลยมันเกิดดับหมดเล ย, ยในชีวิตประจําวันทุกวันนี้เนี่ยสมมุติถ้าหากว่าเราเองเราก็พิจารณาตึกรู้แล้วนะว่าเออทุกอย่างมันก็ไม่เที่ยงไม่มีอะไรแนะน่นอนเกิดแล้วก็ดับ ไม่จริงลังมันมายถว่ามันเป็ความรู้สึกที่เราสามารถที่จะใช้พิจารณาสิ่งต่างๆในปัจจุบันได้ อ, อ, อย่างนี้จะเรียกว่าเป็นโซดาบันหรือไม่ใช่ไหมไม่หาจะเรียกว่ามันเป็นอะไรได้บปรู้ตามได้ออยังอย่างน้อยนี่คือสัญญาที่เป็นส่วนประกอบแห่งวิชาที่นิยมต้องเอาไปตรวจกับคุณสมบัติโสดาบัลอย่างอื่นอีกเช่นว่าถ้าโยมมีความเชื่ออย่างนี้มั่นคงแล้วเนี่ย <c oughs> ถามว่าสิ่งที่ตามมาคืออะไร ศีลปตประรามาตคือความรูปลรมในสินโรสข้อปฏิบัติกายวาจาตามแบบของสมณพราหมาเราอื่นเนี่ยเราจะมีการกระทำโดยความเป็นสาระไหมมันจะถูกวางไปด้วยไงใช่ไหมความเห็นในเรื่องของอความลังเลสงสัยวิจิตรช้าว่าอันเนี้ยเส้นทางเนี้ยเข้าสู่โสรพันไม่มีเส้นทางอื่นมันจะมั่นคง มั่นคงในมรรคแปดมั่นคงในสินสมาธิปัญญาสิ่งที่โสดาจะได้อะไรอีกความเห็นปลาลบขันเบื้องต้นเบื้องปลายจะไม่สนใจเพราะในเมื่อโยมเห็นว่าขันห้าไม่เที่ยงอยู่อย่างนี้โยมจะไปสนใจอะไรกับขันห้าที่ล่วงไปแล้วและขันห้าที่ยังมาไม่ถึงนี่คือแง่มุมที่มันจะถูกปล่อยวางพ่วงไปพร้อมๆกันอย่างนี้ดังนั้นการเห็นว่า รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงมันจะต้องได้ผลอย่างนี้มาความเห็นปานลบขันเบือ้องต้นเบื้องปลายจะต้องหมดไปการไปกังวลอดีตอนาคตจะต้องไม่มีอย่างนี้นี่คือผลที่มันจะได้รับนะดังนั้นโยมเอาไปตรวจกับคุณธรรมโสดาบันอย่างอื่นปุ๊บมันจะเริ่มชัดขึ้นนะว่าที่พระเจ้าบอกว่ามีความเชื่อมีจิตน้อมไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงฟังแค่นี้มันเหมือนเฮ้มันง่าย คนทั่วไปมันก็นึกได้ในนาอย่างนี้แต่นึกได้แล้วเนี่ยทราบซึ้งในบทพันชนะนี้หรือเปล่าลึกซึ้งหรือเปล่าถ้าลึกซึ้งปุ๊บเนี่ยผลพวงมันจะได้มาเลย ว, ะะวัตโกตุลมงคลจะหมดไปใช่ไหมอ่าปุพานตานุทิฏฐิปันตานุทิฏฐิความเห็นปานลันเบื้องต้นเบื้องปลายจะหมดไปอย่างนี้อ่าการเข้าสู่มิจฉาทิฏฐิในเรื่องของกรรม4แบบก็จะหมดไปที่โซรบาลจะต้องลอดได้ ว่ากรรมหรือสุดทุกเกิดจากผู้อื่นบันดาลตนเองบันดาลทั้งตนเองและผู้อื่นเกิดที่มันเองลอยๆอย่างเนี้อมันจะพ่วงกันหมดความได้ไหมอ่ะอ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะ ก็แสดงว่ายังไม่ถึงจุดที่บอกว่าบรรลุธรรมเพราะว่าเราผลพวงนั้นเรายังไม่ครบอย่างนั้นใช่ไหมคะรบกันเบื้องหน้าคืออยากไปเป็นเทวดาอะไรอย่างเนี้เหรอคือยังกังวลว่าอนาคตจะเป็นยังไงน้าอะไรอย่างเงี้ยคะยังคิดไปถึงอนาคตแล้วก็เราจะต้องทํำยังไงอีกเพื่อให้อนาคตเป็นไปด้วยดีอย่างที่เราหวังอย่างเงี้ยคือคิดได้แต่โสดบันจะไม่ยึดไงคือโสดาบันพินาาได้บางแผนอนาคตได้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างนี้แต่จะมีอนิจจังอยู่แล้วว่าเออไม่เที่ยงเนาะไอ้ที่คิดนี่อาจจะ ไม่เป็นไปตามนั้นก็ได้แล้วมันจะมีสะกิดอยู่นิดนึงน ะ, ะมันไม่ใช่ว่าร้อยเปอร์เซ็นตปว่าถ้าคิดอย่างนี้แล้วฉันจะต้องได้อย่างนี้แน่นอนเพียงเพียงเท่านี้ก็ถือว่าผลพวงนั้นได้แล้วเหรอคะใช่ผลพวงนั้นมันมันส่งผลแล้วไงจิตจะงอกลับหววนกลับไม่เหยียดออกเหมือนขนสัตว์เนี่ยที่ผู้จ้าบอกพอโดนไฟแล้วมันจะหงิกออกมาเวลาเราความเห็นเราไปมุ่งเรื่องใดแล้วเนี่ย พอเจออนิจจังปุ๊บไม่แน่เว้ยอาจจะไม่ได้ก็ได้นะแต่ก็แหมอยากจะได้ละ่ะสร้างเหตุไปเพื่อทําให้ถึงจุดนั้นเราก็สร้างเหตุแต่ขณะเดียวกันก็แฝงความไม่เที่ยงอยู่ในนั้นนะนั่นก็คือทําด้วยความไม่ยึดมั่นถึงมันเวลาไม่สําเร็จยอมทุกข์ไหมไม่ทุกเออใชนะ่เนาะมันอนิจจังไม่เป็นไรนะั่ะเราทําใหม่เราเริ่มใหม่อย่างนี้อืม แคนีง้ง่ายๆนะทุกมันน้อยลงไหมล่ะทุกมันน้อยลงอะทุกในชีวิตมันน้อยลงอีกคนเนี่ไม่ได้ไล่ตามปรารถนาเนะี่ยโอ้โหร้องไห้ข้ามควรนะทําไมต้องเป็นอย่างนี้ทําไมฉันต้องเป็นอย่างนี้ทําไมฉันต้องพิกการด้วยทําไมฉันต้องมันนอนป่วยด้วยอย่างเนี้ยใช่ไหมอ่ามันก็มีความทุกข์มากแต่พอทุกเกิดขึ้นเอา้าก็ธรรมดานะลร่างกายมันไม่เที่ยงนะ อาชีพตั้งหลายมันก็ไม่เทีย่ยงยศมันก็ไม่เที่ยงลาบมันก็ไม่เที่ยงสรรเสริญมันก็ไม่เที่ยงนะเห็นโลกธรรมแปดโดยความไม่เที่ยงเน ะ, นะลาบยศสรนเสริญสุขเห็นเป็นความไม่เที่ยงรูปพ้นได้เหมือนกันนะอขออ่านอีกานิดครับงั้นคําว่าบรรลุธรรมในที่นี้เรียกอีกเรียกอีกคํานึงว่าโสดาบันได้ไหมคะได้โส ด, นนโสดาปฏิผลมีโสดาปฏิมา ก, กับปฏิผล ก็เรียกได้ทั้งสองคำในคำว่าบรรลุธรรมเนี่ย<ด> แ, ทแทนด้วยสองคา ไ, <ด>ได้ใช่ ไ, ใชไหมครัะพระพุทธเจ้าตัดเนี่ยโสดาปฏิมาคเนี่ยพระองค์ไม่ได้บอกโสดาปฏิมาคหรอกแต่เราเข้าใจว่าเป็นโสดาปฏิมาคเองเพราะอะไรเพราะว่าก่อนตายจะได้โสดาปฏิผลและพระพุทธเจ้าบอกว่าคนคนเนี้ยก้าวล่วงพ้นปุตุชนภูมินะเข้าสู่สัพพลุสัภูมิคือภูมิแห่งสัตตบุรุษล่วงพ้นปุตุิชนภูมิ นะไม่อาจที่จะกระทํากรรมที่ทําแล้วเข้าถึงนรกกับเนริชานหรือเปรยพิสัยได้และไม่ควรที่จะทําการละก่อนแต่ที่จะทําให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลคือคนที่มีความเชื่อน้อมจิตไปวัยวตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เทียงแค่นี้เองนะนั่นก็คือโสดาปฏิมรัตรน์นเองนะได้แตม้มมรัตของโสดาบันแล้วหรือพระสารีบุตรตอบพรุทธเจ้า ว, ว่าพระพุทธเจ้ <c oughs> าถามพระสารีบุตรใครกันนะคือโสดาบัน สารีบุตรตอบว่าผู้ที่ประกอบพร้อมแล้วด้วยอรยิยมรรคมนองคมีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นชื่อว่าโสดาบันยมเดินมรรคแหรือ ย, อยังแหละถ้ายมเดินมรรคแปดในกำลังเดินมรรคแด้วยความมั่นคงรู้แล้วว่าหนทางนี้เข้านิพพานเจตนาเรามุ่งมรรคผล น, นิพพานมุ่งความไม่ตายเป็นสาระนะคนคนนั้นเนี่ยโสดาบันเห็นไหม ใครรู้ว่าใครเป็นอะไรผู้เจ้าลูกเดียวที่รู้นะคุณสมบัติพวกนี้ผู้เจ้าบัญญัติไว้เพื่อให้พยากรณตนเองทุกอันเลยผู้เจ้าบัญญัติบอกว่าถ้าหวังจะพยากรณก็ให้พยากรณตนและตนนั้นลว่าเป็นโสดาบันแล้วไม่ใช่บอกว่าถ้าหวังจะพยากรก็ให้พยากรณคนอื่นว่าเป็นโสดาบันแล้วไม่มีใครรู้หรอกว่าใครศีลดีไม่ดีอะไรมากว่ยแค่ไหนเราเนี่ยรู้ตัวเราเองนะ เดี๋ยวยังยังถือไม้มานานแล้วทุกวันนี้ถ้าหากว่าเรามีความรู้สึกว่าเราเข้าใจว่าทุกอย่างมันก็เกิดดับนะคะมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนอะไรก็ไม่เที่ยงมันให้ความรู้สึกเหมเราก็ไม่อยากทําอะไรแล้วก็เริ่มเบื่อเริ่มไม่อยากที่จะทําอะไรเริ่มอยากที่จะใช้ชีวิตแบบศึกษาธรรมะหันหน้าปฏิบัติธรรมแล้วก็ แบบไม่อยากเอาอะไรแล้วอะไรอยา่อยางเงี้ยงานการก็ไม่อยากทําลอยากจะละอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความสึกกั น, นถือว่าพูดถ <c oughs> ึงจริงๆแล้วถ้าว่าโดยโลภุตละเนี่ยมันไม่ได้ผิดอะไรเพราะว่าที่สุดทุกคนต้องตายอยู่ดีอ่นะเราทํางานไปที่สุดแล้วก็ต้องหยุดทํางานหกสิบแล้วก็เริ่มไม่ไหวละเจ็ดสิบแย่ลงละแย่ลงเรื่อยๆ ยมพ่ออาตามา8ปดสิบกว่าแล้วยังไม่หยุดทางนานเลยอย่างเงี้ยก็เพราะไม่เห็นธรรมะนะไม่รู้จะให้หยุดเมื่อไหร่น ะ, ะดังนั้นใครหยุดได้เร็วก็เป็นประโยชน์เร็วเพราะว่ายังไงความตายมีแน่นอนสารณะของตนเองนะทำไปแล้วหรือยังผู้เจ้าตื่นนะนั้นอย่างใน <c oughs> ในบทนี้ผู้เจ้าตัดไปเนี่ยก็เป็นบทที่ทราบซึ้งอยู่นะ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 จากรชาติสงสารทำที่สุดแห่งทุกได้นะนั้นพระองค์ก็เตือนเราไว้ว่าเออที่สุดมันก็ตายแล้วเราก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะตายหรือเปล่าเย็นนี้เราจะตายหรือเปล่าอย่างนี้นะดังนั้นเรื่องธรรมะต้องเป็นเรื่องเร่งด่วนอันดับแรกของชีวิตจริงๆส่วนคิดการงานเนี่ยเราก็หาวิธีบริหารที่แบบว่าเราเกี่ยวข้องน้อย เชี่ยวจิ้มมาไปฝ่ายเสไปคิดมาเดี๋ยวนายจิ้มเองเอาแบบนี้แบบนี้แบบนี้นโยบายเดินไปยังไงใครทําอะไรเลื่อนรถปดยายนี่นีน่ี่จิ้มง่ายที่สุดแล้วก็นั่งสมาธิบา ร, รมีเราดีาโยมอะไรก็จเจริญใช่ไหมแต่คนถ้าบา ร, รมีไม่ดีนะโอ้โหให้ลงมือไปทําเองไปอะไร น, นะขวนขายขนาดไหนก็ไม่รุ่งแต่คนนั่งสมาธิเฉยๆมันรุ่งได้นะ บริษัทบริวารเรานะ่ยที่เข้ามาผู้เจ้าบอกเป็นเรื่องของบา ร, รมีดังนั้นบอกคนบางคนเนี่ยได้บริษัทบริวารที่เข้ามาแวดล้อมเนี่ยไม่ดีทําความไม่พอใจให้มากกว่าความพอใจเนี่ยส่วนพระองค์เนี่ยจะได้บริษัทบริวารที่ทําความพอใจให้ได้มากกว่าความไม่พอใจเพราะพระองค์สร้างบา ร, รมีมามากนะดังนั้นรูปสิทธิ์ของพผู้เจ้าเนี่ยไม่ดีมีบ้างเหมือนกันนะแต่น้อยถ้าพูดถึงแล้วเปรียบเทียบแล้วจะมีดีมากกว่า ก็เราปฏิบัติธรรมก็ทํางานแบบปฏิบัติธรรมไปด้วยก็สมมติว่าทุกวันเราจะต้องมีงานเข้ามาให้แก้ปัญหาให้แบบพอใจมากไม่พอใจมากเราก็พิจารณาตรงนั้นไปได้ได้ก็เหมือนกับเราปฏิบัติธรรมได้คือแล้วแต่นโยบายแต่ละคน่งนะว่าจะเอาเร็วเอาช้านะ แล้วก็แล้วแต่อินทรีย์แต่ละคนว่าเห็นประโยชน์อะไรแค่ไหนนะเพราะว่าคนเราเนี่ยผู้เจ้าบอกจเจริญทั้งสองทางได้จเจริญด้วยบุตรภรรยาฆ่าทา่ากรรมกรทรัพย์อันเต็มพนานแห่งบุนะรุษนะเจริญด้วยสศัศรีเท้าขนาดเดียวกันก็จเจริญด้วยศรัทธาการสั่งสมสุตตะคือได้ยินได้ฟังธรรมมากน ะ, จะเจริญด้วยศีลเจริญด้วยสมาธิจเจริญด้วยปัญญานะคนคนเนี้ย จเจริญด้วยศีลเจริญด้วยจารค้าจเจริญด้วยปัญญาคนคนนี้เป็นคนที่เอาดีทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมได้คือบรรลุได้ด้วยเป็นโสดาบันด้วยแล้วก็จเจริญด้วยราบยศทางโลกด้วยนะนั้นถ้าโยมตั้งเป้าว่าเออเราจะทําทั้งสองอย่างไปพร้อมๆกันนั่นคือโยมก็ต้องแบ่งเวลามาสั่งสมสุตตะมาฟังธรรมจัดวินัยในตัวเองให้ได้มาประพฤติปฏิบททัติธรรมนะ ทำสมาธิวลาสามเวลาที่ผู้เจ้าแนะนํากับคารวะเช้ากลางวันเย็นนะหากินเป็นธรรมไม่เขียดคับรู้จักทําตนให้เป็นสุขรู้จักแบ่งปันภ พ, พอุซับบำเป็นบุญไม่กําหนัดไม่โมเมาไม่ลุ่มหลงมีปกติโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสละดอกบริโภคภพอุซับเหล่านั้นยมบริโภคยศทรัพย์ยต่างๆยมบริโภคด้วยการมีสติสัมปชัญญะได้ยศมาแล้วก็รู้ว่าเออเกิยติยศชื่อเสียงนี้ก็มีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดา ติดยศมาแล้วก็มองเลยว่าเออที่สุดมันก็ต้องเสื่อมนะไม่ฟูใจไม่เพลิดเพลินไม่ลุ่มหลงไปกับมันนะได้ทัพย์มาแล้วก็เรียกว่าเออสักวันมันก็ต้องเสื่อมไปจากเราอย่างนี้อ่าแค่นี้ยอมได้แล้วนะเตือนตลอดเลยมีสติเตือนตลอดนะไม่รุ่มหลงกับมันแต่อยู่กับมันได้อยู่กับมันได้พระเจ้าเองก็อยู่กับสิ่งเหล่านี้แล้วพระองค์บอกพระองค์เป็นผู้ที่มีราบยศสักกามากที่สุดในโลก แต่พวะคไม่ติดกับมัน <c oughs> วิธีวางจิตวางยังไงนะครูเจ้าบอกว่าพระองค์เคยวางจิตไว้อยู่ที่ใดเมื่อลาบสกากลละเสียงย็นยอ่อเข้ามากระทบพองค์ก็จะวางจิตไว้ที่เดิมอย่างนั้นอย่างเช่นพระอคเคยรู้ลมหายใจจากนั้นปับ๊บรับรู้ผัสสะมีคนเอาลาบมาให้ยศมาให้มีคนมาสรนเสริญอะไรต่ออะเสร็จรับรู้ปับ๊บก็วางจิตกะลมเหมือนเดิมง่ายๆแค่นี้เอง กลับจิตมาที่อนาปานสติพะอาจารย์คะสภาวะธรรมเนี่ยก็คือสามารถเสื่อมได้เหมือนกันใช่ไหมคะหรือว่าสภาวะธรรมอะไ ร, รอ่ะก็คือเวลาเราปฏิบัติเนี่ยคะ่ะแล้วก็ให้คุรทำแล้วก็ได้แง่มุมแง่คิดเนี่ยคะ่ะอาจารย์แล้วก็บางทีมันพอมันดับไปแล้วหรือเราไม่ได้ปฏิบัติเป็นเหมือนกับว่าไม่ได้ปฏิบัติสม่ําเสมอ ก็ตรงนั้นความคิดตรงนั้นเนี่ยมันก็คือจะดับไปหายไปใช่ไหมคะสภาวธรมรมลายโยมต้องต่อบว่าสภาวะธรรมในฝ่ายไหนถ้าฝ่ายโสดาบันขึ้นไปไม่เสือ่อมต่ํากว่านั้นเสื่อมได้หมดโยมจะค่ายควรทำอลไยจิปาถะสารพัดเสื่อมได้หมดต้องใ่้ควรจนกระทั่งแต่โสดาบันปุ๊บจะเป็นผู้มีธรรมันไม่เสื่อมรับประกันะากาให้แต่โสดาบันขึ้นไปเท่านั้น มันก็ถึงจุดที่ว่าทําไมต้องอายุยืนยาวคะในเมื่อเอมันก็เป็นทุกข์<า>ใชคะแล้วทำไมก็ต้องดับไปด้วยควาเสุขอย่งนี้นเราก็ไม่เห็นจะมันต้องมีอายุยืนยาวแล้วก็<อ>ความตายก็ไม่เห็นต้องกลัวแล้วก็ อ, <า>อยากตายด้วยซ้ํำไปอะไรอย่างเนี้<า> <laughs> คือมีอายุอยู่เพื่อเพื่ออนุเคราะห์พรหมจันทร์นะก็คือการมีอายุเนี่ยเพื่อให้บรรลุธรรมในขั้นที่สูงขึ้นสูงขึ้นไปเรื่ยจน จนถึงที่สุดแห่งทุกข์นั่นแหละนะดังนั้นการดำรงอายุไว้เนี่ยนะก็เพื่ออนุเคราะห์พุทธจันทร์ผู้เจ้าจึงบอกนะไม่งั้นก็ฆ่าตัวตายกันหมดใช่ไหมนะจึงบัญญัติกันห้ามฆ่าตัวตายและถามว่าถ้าผู้เจ้าอยู่เนี่ยผู้เจ้ามีประโยชน์ไหมมีประโยชนนะ์เพราะว่าได้ทําให้ดวงจิตของคนเนี่ยบรรลุธรรมเข้ามาผลนิพพานไปมากขึ้ น, ม า, นมากขึ้นเรื่อยๆจึงมีการอยากให้ผู้เจ้าในมัยยุอยู่ยนาน การมีอายุยืนเนี่ยเป็นธรรมเครื่องปรารถนาของโลกในโลกเนี่ยทุกคนปรารถนาความมีอายุยืนความมียศความมีทรัพย์จงปรากฏขึ้นแก่เราความมีบริษัทบริวารพวกพ้องนะจงปรากฏขึ้นแก่เรานะหลังจากการแตกทําลายขอให้เข้าถึงสุติโลกสวรรค์นี่เป็นธรรมเครื่องปรารถนาของโลกนะดังนั้นโลกเขาปรารถนากันอย่างนี้แต่โสดาบันก็ได้ทั้งนั้นนะ ได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่เอานะวางเป็นเรื่องของกรรมไปนะถ้าเหตุปัจจัยมีมันก็ได้อยู่เหตุปัจจัยหมดก็หมดอย่างนี้ดังนั้นพระละหรหันจึงไม่ทั้งอยากและไม่อยากนะก็คืออยากที่จะให้กายแต่ทําลายก็ไม่ไปอยากอยากที่จะให้กายมันอยู่ยาวก็ไม่ไปอยากก็ปล่อยตามเหตุปัจจัยอย่างนี้อ่าครูเจ้าก็เหมือนกัน แต่ก็รักษาเหตุปัจจัยปัจจุบันให้ดีเช่นผู้เจ้าตัดสรู้แล้วปล่อยวางแล้วเนี่ยก็ยังกินข้าวยังนอนยังนุ่งหม่มเสื้อผ้าอาภรณ์ใช่ไหมมีเครื่อง ป, ปิดกายนะยังอนุเคราะห์บุคคลทั้งหลายด้วยการให้ธรรมะยังประโยชน์ต่างๆทั้งๆที่ไม่ต้องทำอะไรแล้วไม่อยากอะไรแล้วแต่ก็พินาให้การท่าเนี่ยมันได้ใช้ประโยชน์สูงสุด เกกูลต่โลกต่อไปจนกว่าจะแตกสลายไปนั้นเราก็น่าจะคิดว่าระหว่างชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยคุณจะทำอะไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดใช่ก็คือการให้ธรรมะกับตนเองก่อนอันดับแรกรูเจ้าให้ยังประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมจากนั้นเนี่ยค่อยยังประโยชน์ผู้อื่น เขาชื่อว่าพระพุทธเจ้าเราอะถูกต้องที่สุดเก่งที่สุด ท, ทํา้ำซ้อนของท่านดีหมดเลย ท, ทีนี้อย่างมันเหมือนกับเป็นสัญญาใช่ไหมฮะก็คือเออเราจําเรารับรู้เราเชื่อแล้วเรามีสักการะในการปฏิบัติของเราสมมุติยังมันไม่ถึงไปถึงระดับสมาธิหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ก็ถือว่าเราเราก็จะไปเราก็ถือเป็นสุัจบัณฑ์ได้ไหเราเป็นผู้มัน่น มั่นคงท่นี้มั่นคงขนาดไหนเนี่ยมันก็อยู่ที่ระดับที่ผู้เจ้าวางเครื่องวัดเอาไว้ไงที่ผู้เจ้าบอกเครื่องวัดศรัทธาเนี่ยวัดกันที่ตรงไหนวัดที่โสตตาปฏียงขั้ศีวันไหวในผู้เจ้าไหมวันไหวในพระธรรมพระสงฆ์ไหมมีสมณะปรามเทพมารปรอมใดๆชักจูงเข้าไปได้ไหมมีเทพองค์นี้ชักจูงให้เข้าไปศรัทธามากกว่าผู้เจ้าไหมอย่างเนี้ยอ่า นั่นอย่างที่เคยยกตัวอย่างคนบูชาไฟให้เข้าไปบูชาน้ําเขาบูชาไหมเขาไม่เอาเขาบูชาเทพองค์นี้อยู่แล้วยมเอาเทพอีกองไปให้บูชาเขาบูชาไม่เอาเทพชั้นเก่งสุดชาวพุทธต้องรู้ว่าพระเจ้าเก่งสุดฉันไม่สนใจเทวดาปลมอะไรจะมาชักจูงความเห็นฉันไปไม่ได้พระเจ้าจึงบอกโสาบันเนี่ยเป็นผู้ที่สมณะพรามเทพมารพรหมใดใดดึงศรัทธาเข้าไปไม่ได้เขาจะศรัทธาพระเจ้ามากที่สุด ไม่มีเธอไม่มีทางเก่งกว่าผู้เจ้าชันนะอ่านั้นนี่คือศรัทธาอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวที่ศรัทธานะี่มันจะอย่างลงมั่นก็ด้วยการเพ่งพิสูจน์ในข้ออ่านข้อธรรมโยมต้องเพ่งพิสูจน์ข้ออ่านข้อธรรมของผู้เจ้าแต่ที่บอกอยู่ก็สูตหนึ่งถ้ายังเพ่งพิสูจน์ไม่ได้นะแต่โยมจําได้คล่องปากขึ้นใจทั้งตลอดอย่างดีด้วยความเห่งนผู้เจ้าบอกจะได้หลุดไปบรรลุธรรมในภพเทวดาไง ไม่บรรลุธรรมนี่พระเจ้าหมายถึงโสดาสกิทาก า, า, านาคาปะหลานอแคแค่สี่ระดับระดับคือความหมายของำวา่าบรรลุธรรม uh huh. ว่าเราเป็นมีพธรรมเนี่ยในระฐา uh huh. นะรนใช่ใช่ใช<ไ>อะลิคนณสี่พวกนียว่าพวกไหนถ้าอย่างสมมติว่าเราเปนคนนอนดึกทำให้เราตื่นเช้าไม่ไหวเราถือว่าเราเป็นนมีกิเลสเยฮะเพราะว่าไม่เกียง ก็คือไม่ได้ย่อมตื่นเช้าไม่ได้แต่ย่อมนั่งสมาธิได้เมื่อหล่งเดินจงกรมได้เวลาที่เหลือกว่านั้นนะเรารักษาศีลได้เราทำความดีได้ใช่ัหมแต่พู้เจ้าก็จะมีบอกเรื่องของการที่ ผ, ผู้นำที่นอนตื่นสายมากนะจนดวงอาทิตย์ขึ้นนะจะเป็นผู้นำที่ดีได้ไ้ยเนี่ย ม, มันก็จะยากน ะ, ะบริวารเนี่ยจะหนีหน้าโทษของการตื่นสายพู้เจ้าจะมีบอกเอาไว้นะแต่มันเป็นคุณธรรมเล็ก น, น, น, น้อยๆนิดๆหน่อยๆถ้าโยมทำอย่างอื่นได้ดีกว่ายมตื่นสายแต่ที่เวลาที่เหลือโยมนั่งสมาธิเป๊ะดีบังเกิดผลคุ้มค่านะโยมต้องดูน้ำหนักตรงไหนมันน้ำหนักมันมาก่ ตรงไหนน้ำหนักไม่มากเป็นาาาาคารวะสัธรรมท่าเนนะี่ยปล่อยไปก่อน๋ยวมาเน้นศีลสมาธิปัญญาให้มากนะเน้นเรื่องปฏิจจะเราต้องเข้าใจปฏิจจสมาบาทให้ได้มันเป็นอริยะญายธรรมทำให้คนเป็นอริยะขึ้นมาธรรมะที่ทำให้คนเป็นอริยะนะยมหยิบจับให้ที่มันมีอนิสงส์มากไว้ก่อนนะเรื่องพวกนั้นนะเดี๋ยวมันจะค่อยๆตามมาเอง ลืมไปมั่งเชา้ชาเช้ามังกลงวันเขาเสิร์ฟมาเป็นเป็นธรรมดาอ่ะเราก็เผลอไปอย่างเ น, นนี้ยมัน เ, <ร>เป็นข้อปฏิบัติ<า>ที่ผู้เจ้าให้ปฏิบัติไหมล่ะไม่ได้กําหน ด, ด, หนดเราก็ไปตั้งเองแล้วนอืนอนั้นก็ไม่ต้องไปสนใจสัจจะอะไรที่เราตั้งไว้ด้วยความเห็นของเราเองเราก็ล้มไปเสีิเลิกไปมไม่ได้เดินตามความเห็นผู้เจ้า ครูเจ้าบอกแค่ไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้รังเกียจว่าเขาฆ่าเพื่อเราก็ทานได้ตามปกติอย่างนี้แต่การที่โยมจะไม่ทานก็ไม่ได้ผิดแต่ไม่ใช่ว่าจะต้องไม่ทานฉันจะต้องไม่ทานฉันจะต้องดนิสมจากอันนี้ไม่เกี่ยวกันนะเป็นความยึดมั่นละใช่เป็นความยึดมั่นละ ซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับการได้บุญเยอะด้วยพเพราะพรุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติใช่ไหมการได้บุญเยอะนี่นั่งสมาธิได้บุญเยอะอพิจารณาด้านปัญญาได้บุญเยอะรักษาศีลอาจารย์คะต อ, อเรียนถามว่าตามบ้านเรือนหรือสำนักงานที่เขาทำงานกทนที่เขาตั้งศาลพระภูมิศาลเทพเนี่ยถ้ามีมาอยู่จริงป่ะล้วตั้งเพื่ออะไร <c oughs> ในศาสนาพุทธเราไม่มีสแสดงว่าเขานับถือความเห็นของสำนักพราม์เหล่าอื่นไม่ใช่สมนัโคดมไม่ใช่ของเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่ของลันตาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก็แล้วแต่เขาความเห็นเขาก็ต้องต้องไปถามเขาก็ไปทำเพื่ออะไรใช่ไหมแต่ของพูะเจ้าไม่มีไม่ให้พึ่องอะไร<ม>พึ่งตนและพึ่งธรรมะพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ นั้นส่วนใหญ่ตามบ้านเรือนจะตั้งสามพระภูมิอะไรนี้ก็เลยอ uh huh. ไม่ไม่เข้าใจว่าตั้ง uh huh. เพื่ออะไรแล้วจะมีใครมาอยู่เพื่อคุ้มครองเราออ uh ื huh. ความเห็นที่ว่าใครจะมาคุ้มครองเรามันก็เข้าสู่มิจฉาทิฏฐิว่ากรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาลเนี่ยนะอ่าเราจะมีความสุขสวัสดีได้เพราะสารอันนี้เทพอันนี้มิจฉาทิฏฐิแบบที่หนึ่งทั้งนั้นเลยมาถึงบอกนไะถ้า พุทธบริษัทเนี่ยเข้าถึงคำสอนของศาสดาตนเองจริงๆแล้วเนี่ยพวกเรื่องของการวงสวงดูหมอดูเลิกดูยำจะหมดไปจากประเทศเลยนะเรื่องพวกนี้จะหมดไปนะในการพุทธการไม่มีบ้านอาาถาบินนิกาเศรษฐีไม่เห็นมีสารประภูมิไม่เห็นมีสารเจ้าที่ใช่ไหมบ้านนางวิสาขาก็ไม่ต้องมีใช่ไหม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 <se ller> เหนไพระศาสดาตอบยํนนะโ ย, ยมมั่นคงไหมละ่ะหวั่นไหวในคำสอนของพระองค์หมุ้ยผู้เจ้ายังไม่รู้หรอกเดี๋ยวนี้สารมีศักดิ์สิทธิ์ <se ller> ใช่ไหมโยมหวั่นไหวผู้เจ้าทันทีเลยเห็นเนะนี่ยนี่ความหวั่นไหวใช่ไหมขอการกดคมีหนึ่งคำถามแล้วก็ขออนุญาตเป็นคำถามสุดท้ายนะคะพวกเราจะได้ไปพัพกพระอาจารย์จะได้พักด้วย คำถามคือบิดามารดาจะได้อนิสงจากการปวดของลูกด้วยการเข้ามาฟังธรรมด้วยแต่หากบิดามารดาเสียชีวิตแล้วผลที่ได้รับคืออะไรคะเจ้ า, านาบิดาเสียชีวิตแล้วเหรอเรียบร้อยช่วยอะไรไม่ได้ น, ะนอกจากลูกก็คือ ทําทักษิณาอุทิศท่านนะก็คือนั่งสมาธิไปเมตตาให้กับท่านอุทศิศบุญบุญส่ให้กับท่านทําได้แค่นั้นลูกหลานนะทำอยางอื่นไม่ได้แล้วนะก็ไปเกิดใหม่แล้วนะจริงๆเราก็เคยเป็นพ่อแม่ลูกกันมาอุย้ยสารพัดเนะี่ยเขาก็เคยเป็นลูกเราเราก็เคยเป็นพ่อเขาเป็นอะไรวนกลับไปกลับมาอย่านี้นะ เ, เทวดาที่เราเคยไหว้แต่ก่อนมันก็เคยไหว้เราเราก็เคยเป็นเทวดานะ มันก็ผัดกันไหว้กันไปกันมาอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมอ่มันสังสารวัตนี่ยาวไกลเอยู่ปุจ้าบอกว่าเธอเนี่ยเคยเกิดเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่หญิงน้องหญิงพี่ชายน้องชายเป็นมาหมดเป็นเทวดาเป็นสัตว์นรกเป็นเดรัจฉานนะถูกก็ฆ่าตัดคอเลือดที่ไหลออกจากคอเธอมากกว่าน้ําในมหาสมุทรทั้ง4นานขนาดไหนเราเคยเป็นเดรัจฉานกันมาเนี่ยนะจนเลือดนี่โอ้ยนองมากกว่ามหาสมุทรอีก น้ำตาที่เธอเคยร้องไห้ในสังสารธาเก็บเอาไว้เนี่ยก็มากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่นะมหาสารเนาะเพราะนั้ น, พ, พ, น, น, พ, นพึ่งทําพึ่งตนนะพึ่งตนพึ่งทำพอแล้วเนา ะ, ะไม่ต้องไปพึ่งพาอะไรและนั้นนะโยมจะมั่นคงและโยมจะไม่มีความทุกข์อะไรเดินออกจากบ้านไม่ไหวาสารไม่ไหวอะไรก็ไม่ทุกข์ไม่กังวลว่วันนี้ลืมไหว้วันนี้ลืมเอาอาหารไปให้ลืมเอาข้าวน้าไปให้ มันหมดภาราพวกนี้ไปเลยเข้าใจไหมอ่าไม่มีทุกทุกของพระโสดาบันที่เหลือนี้เดียวเท่ากับเศษดินที่ปลายเล็บที่ผู้เจ้าเศษเอาเล็บเขียเ่ยวเศษดินขึ้นมาบอกเนี่ยความทุกโสดาบันเหลือแค่นี้นะเรากังวลอยู่ไหมล่ะเรื่องพวกนั้นนะใช่ไหมถ้าโยมกังวลอยู่โยมก็มีทุกข์แล้วยอมไม่ทําก็เป็นทุกข์ใช่มเด็กเด็กอาตมา <c oughs> ลืมเมาข้าวไปให้สารเจ้าที่โอ้โหโดนแม่ว่าเกือบตาย เห็นไหมทำไมไม่ทำอย่างงดอย่างงี้อะไรนะอ่าตกเจ็นมาไปลาข้าววะจ้าเว่งไปลาเลยใช่ไหมอ่าถึงวันดีคือดีดอาพาไปรดน้ำมนนะอ่าบางวัดก็อาบนะเป็นชั่วโมงนะอาบน้ำมนตนะ่ะมาไปแม่ยมแม่ยมพ่อพาไปวัดแถวราดบุรีสมัยเด็กๆ เ, เป็นชั่วโมงเลยเราก็อูตส่าท่านเสียสละนีกสวดให้เราเป็นชั่วโมงเลย จริงๆเป็นสิ่งที่ผู้เจ้าห้ามหมดเลยห้ามพาระกระทำเห็นนะเป็นเพราะเราไม่ทราบเราไม่รู้นะอืออ่าคนตายมันก็เกิดแล้วหมดนะอ่เยอะแล้วถ้าสิ่งที่ผู้เจ้าบัญญัติมาไม่ได้ผลเนี่ยแสดงว่าผู้เจ้าพูดเพ้อเจอจริงไหม แล้วพระพุทธเจ้าพูดมาได้ยังไงว่าให้ลูกหลานเนี่ยทำบุญิุทิดให้บิดาบรรดาที่ล่วงลับไปแล้วคำพูดพระพุทธเจ้าพูดหลุดออกจากปากเนี่ยตรงจริงหมดมีประโยชน์หมดไม่มีใครกัดง้างได้เพราะนั้นมีประโยชน์แน่นอนแต่มีเนี่ยไม่ได้มากหรอกเพราะกรรมหลักๆคือตัวเขาเองทําเองอือฮึ <c oughs> <c oughs> ด้านคนนะผู้เจ้าแผ่เมตตาเนี่ยไม่ได้บอกเลยใครเป็นเด็กใครเป็นผู้ใหญ่ใครเป็นเทวดาพรหมแผ่ให้ไม่มีประมาณแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างไม่มีประมาณไม่ได้กำหนดเลยนะที่ตัดไว้กับวาเสตนะนะอขอโอกาสค่ะขณะนี้ก็สิบสองนาฬิ ก, กาสิบห้านาทีแล้วค่ะพวกเราทุกคนกราบขอบพระคุณท่านกราจารแล้วก็กราบนมาสการท่านพร้อมกันค่ะ ขอบพระคุณค่ะ